ใครยังไม่ได้หนังสือซีดีเจิญมาหยิบไปได้ของแจกธรรมทานอาไปดูไปฟังไปอ่านวันนี้พวกเราก็มีเวลาว่างอีกวันหนึ่งมีเวลาที่เราจะได้มาหา สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจก็คือความสงบแต่พวกเราไม่รู้กันว่าความสงบนี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจเพราะความสงบนี้เป็นความสุขที่ เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุรุมาเผยแผ่ความจริงอันนี้พวกเราก็จะไม่ได้รู้กันและจะจะไม่ได้พบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐนี้กันพวกเราก็จะเป็นเหมือนกับพวกที่ไม่รู้จากพระพุทธศาสนา ที่จะหาความสุขจากสิ่งต่า ง, างๆทั้งหลายในโลกนี้เช่นหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากลูกเสียงกิดพพ่ดรสอุตตรภะซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขประเดียวประดาแล้วก็เป็นความสุขที่เพิ่มความอยากให้อยากได้มากเพิ่มขึ้นไป เพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานเราต้องรับประทานอยู่เรื่อยให้ความอิ่มความพอเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องรับประทานอีกถ้าถ้าไม่ได้รับประทานก็จะมีความหิวความทุกข์ ความสุขทางใจที่เราได้จากการได้ลาบยศสรรเสริญจากการที่ได้เศษรูปเสียงกลิ่นรสโปรดปพะชนิดต่างๆก็เป็นอย่างนั้นเวลาเราได้เศษได้สัมผัสเราจะมีความรู้สึกสุ ข, ส ข, สขมีความมีความสบายใจพอหลังจากนั้นไม่นานผ่านไป ความสุขเหล่านั้นก็จะจางหายไปแล้วก็จะเกิดความหิวเกิดความอยากที่จะได้เสกเช่นได้เงินมาก้อนหนึ่งอีกวันสวันก็อยากจะได้อีกก้อนหนึ่งแล้วอยากจะได้ก้อนใหญ่กว่าก้อนเดิมเคยได้ร้อยหนึ่งก็อยากจะได้มากกว่านั้น ถ้าได้น้อยกว่า น, นั้นก็จะไม่พอใจเช่นเราเค่อยได้รับเงินจากคนเขาให้มาครั้งละร้อยบาทพอครั้งที่สองเขาให้น้อยกว่าร้อยบาทเราก็จะไม่พอใจไม่อิ่มใจแล้วถ้าให้ร้อยบาทก็จะไม่ดีอกดีใจจะรู้สึกเฉย แต่ถ้าให้สองร้อยบาทนี้จะดี อ, อกดีใจพอครั้งต่อไปถ้าให้น้อยกว่าสองร้อยบาทก็ไม่พอใจให้สองร้อยบาทก็รู้สึกเฉยเฉยต้องให้มากกว่าสองร้อยบาทถึงจะรู้สึกดีใจนี่คือความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้รับมามากน้อยเพียงไร ก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอยังมีความหิวมีความอยากความต้องการอยู่ไปเรื่อยๆความสุขเหล่านี้จึงเป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์ในรูปแบบของความสุขเป็นความสุขที่เป็นความทุกข์ที่หลอกหลอกเราให้หลงคิดว่าเป็นความสุข แต่ความสุขที่เราจะได้รับจากความสงบนี้จะเป็นความสุขที่จะให้เราเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาได้แล้วจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นความสุขที่เราได้จากความสงบยังเป็นส่วนย่อยส่วนน้อยและยังมีไม่มากและถ้าเราไม่ทำ ต่อมันก็จะจางหายไปได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราทำต่อทำอยู่เรื่อยๆเติมอยู่เรื่อยๆความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยและจะจะอยู่อยู่นานกับใจเราไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่จะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราสามารถสร้างความสุขสร้างเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขที่ถาวรได้ความสุขที่เราจะได้รับจากความสงบของใจนี้ก็มีเป็นขั้นขั้นขั้ น, นต้นก็คือทานเวลาให้ทานเสียสละ สิ่งของหรือประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นก็จะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วถ้าเรากะหยับขึ้นไปขั้นที่สองคือรักษาศีลได้ไม่ทำบาปไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้เราก็จะได้รับความสงบที่ มากเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วพอเราได้ความสงบจากขั้นทานขั้นศีแล้วเราก็จะสามารถก้าวเข้าสู่ความสูงของขั้นภาวนาได้คือเราจะสามารถทําใจให้สงบได้คือมีเวลาทําใจให้สงบเพราะว่าเราได้ดึงเวลาที่เรา เคยเอาไปใช้กับการหาเงินหาทองหาความสุขทางลาบยศสรสเสรญทางรูปเสียงกิ่งรสปวดต่ภะเราเอาเอาเวลาที่เราไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆเราเอามาใช้กับการทําทานแทนเช่นเรามีเงินทองแทนที่เราจะ เอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเราเอาเงินนั้นมาทําบุญให้ทาน<ๆ>ก็จะทำให้เกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมาก็จะทำให้เราไม่อยากจะต้องไปเที่ยว<ๆ>ไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยต่าง ๆ, ๆเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทอง <c oughs> เราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทอง พราะถ้าไม่ใช้เงินใช้ทองก็ไม่ต้องหาเงินหาทองการทําทานนี้ก็เพื่อเป็นการตัดการใช้เงินใช้ทองไปกับการซื้อความสุขต่างๆที่จะทําให้เกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มอยากจะใช้เงินเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะต้องไปหาเงินมาใช้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ถ้ายัง หมกมุ่นอยู่กับการหาเงินกับการใช้เงินอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะมามาทำใจให้สงบได้จากการไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นการไปหาเงินหาทองนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปกัน เวลาที่หาไม่ได้โดยวิธีที่ไม่ทำบาปถ้ายังอยากมีความอยากที่จะได้เงินทองมาหรือได้สิ่งต่างๆมาก็จะทำบาปเพราะว่าเวลาเกิดความอยากแล้วมันรู้สึกทุกข์ทรมานใจถ้าไม่ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้ถ้าไม่ได้ด้วยความสุจริตก็ต้องเอาด้วยความทุจริต อันนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถก้าวขัดขึ้นสู่ความสงบขั้นที่สองคือศีลได้ถ้ายังไม่ผ่านความสงบขั้นที่หนึ่งคือการทำทานการทำทานก็คือต้องหยุดใช้เงินแลวเอาเงินที่เราจะไปใช้ซื้อความสุขต่างๆนี้มาทำบุญให้ทานเพราะจะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่ม พอที่จะทำให้เราหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายได้เช่นออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆใจเราจะมีความอิ่มมีความพอมากลับบะอยู่ที่บ้านเฉยๆได้ไม่รู้สึกหดุดหงิดลำคาญใจการที่เราอยู่บ้าน ไม่ได้ก็เพราะว่าใจเราไม่มีความสงบที่เกิดจากการทำทานนี่เองก็อยากจะออกไปหาความสุขภายนอกบ้านเวลาออกไปนอกบ้านก็ต้องใช้เงินใช้ทองเมื่อใช้เงินใช้ทองก็ต้องไปหาเงินหาทองก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำบุญขั้นที่สองขั้นที่สามหรือขั้นที่หนึ่งได้ มาหาความสงบหาความสุขจากการทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาไม่ได้ดังนั้นเราต้องยุติการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขจากสิ่งต่างๆมาทำทานเพื่อให้ได้ความสุขที่แท้จริงให้ใจสงบให้มีความสุขที่เกิดจากการให้ ที่เกิดจากการเสียสละแล้วก็จะทำให้เรามีจิตเมตตาทำให้เราไม่มีความอยากถึงกับจะต้องไปทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มาเพราะเรามีความสุขมีความอิ่มที่ได้จากการทำทานมาคอยต้านความอยากที่อยากจะไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาด้วยการกระทำบาป เราก็จะสามารถรักษาสีลได้แล้วเมื่อเรารักษาสีลได้ใจของเราก็จะมีความสงบเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราสามารถที่จะเจริญสติควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เราจะต้องมีเวลาด้วยถ้าเราไม่ต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมา ซื้อความสุขต่างๆเราก็จะมีเวลามารักษาศีลมาภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้าเราทำเราก็อาจจะทำเท่าที่จำเป็นแทนที่จะต้องทำงานอาทิตย์ละห้าวันเราอาจจะทำเพียงอาทิตย์ละวันเดียวก็พอถ้าเราทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือว่าไม่สามารถทำงานแบบอาทิตย์ละวันได้ต้องทำงานทีหนึง่ง อาทิยละห้าวันเราก็ทำมันไปสักห้าปีสิบปีเก็บเงินเอาไว้พอเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แล้วทีนี้เราก็เลิกทำงานได้เอาเงินทองนี้มาใช้เป็นเครื่องสนับสนุนในการรักษาศีลในการภาวนาของเราได้หรือถ้าเราออกบวชได้ถ้าเป็นชายก็ ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองถ้าเป็นหญิงก็ขึ้นอยู่ว่าไปอยู่ที่ไหนไปอยู่วัดใดแห่งใดถ้าไปอยู่กับวัดที่มีพระดูแลสนับสนุนก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองก็อยู่ได้อยู่แบบนักบวชได้เหมือนกันนี่แหละคือวิธีการที่จะดึงให้เราได้เข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงเราต้องตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่ตัดเราจะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาได้เราจะต้องวุ่นกับการหาเงินหาทองเพื่อที่เราจะได้ใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้น ถ้าเราอยากจะปฏิบัติเราต้องควบคุมความอยากในการหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายในเบื้องต้นก็คือไม่ออกไปเที่ยวไม่ออกไปซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขต่างๆที่มันไม่จำเป็นแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุข ก็เอาเงินมาทำบุญให้ทานแทนถ้ามีพอที่จะทำได้ถ้าไม่มีต้องต้องเก็บไว้เพื่อที่จะใช้ในการสนับสนุนในการรักษาศีลในการภาวนาก็ไม่ต้องทำบุญก็ได้ไม่ต้องให้ทานก็ได้แต่พอถ้าเราไม่ทำทานเราก็ต้องรักษาศีลและเราก็ต้องภาวนาเลย เพราะว่าเราจะไม่ไปหาความสุขจากภายนอกแล้วไม่ออกไปหาลูปเสียงกลิ่นรสปทภะเราจะเข้าข้างในหาความสุขภายในใจของเราเราก็ต้องภาวนาต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะสตินี้เป็นเหมือนเชือที่จะดึงใจที่ชอบลอยออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายลอยออกไปหาลูปเสียงกลิ่นรสปทภา ให้ดึงกลับเข้ามาสู่ภายในใจด้วยอุบายของการเจริญสติที่มีหลากหลายวิธีด้วยกันเช่นพุทธานุสติก็คือให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเช่นจะเลอกคำว่าพุทโธพุทโธก็ได้ถ้าธรรมานุสติก็เราเลิกถึงพระธรรมคำสอนเช่นฟังเทศฟังธรรมหรือสวดมน มนนี้ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือจะระลึกถึงคําว่าธรมโมธรมโมไปก็ได้สังขารนุสติก็ให้ระลึกถึงพระสงฆ์พระอริยสงสาวกจะระลึกด้วยการศึกษาปฏิบระวัติของพระอริยสงสาวกต่างๆเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้หรือจะฟังคําสอนของท่านก็ได้ หรือจะบริกรรมสังโคสังโคไปก็ได้ขอให้เราดึงใจไว้ให้อยู่กับ อ, อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับธรรมโมก็ได้อยู่กับสังโคก็ได้หรือจะอยู่กับลมหายใจก็ได้แต่จะอยู่กับลมหายใจนี้ก็ต้องใช้ขณะที่เวลานั่งเฉยๆถ้าเวลาทำ ภารกิจต่างๆตามดูลมนี้จะยากถ้าทำอะไรต่างๆก็ใช้กายกตาสติคือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ใจต้องจดจ่อเฝ้าดูอยู่ทุกอิริยาบถ ท, ทุกขณะของการเคลื่อนไหวไม่ส่งใจไปที่อื่นไม่ส่งไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ ไม่ว่าจะเป็นอนดีตหรืออนาคตก็ตามให้ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับการกระทำของร่างกายเช่นร่างกายกำลังอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ำกำลังแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันกำลังหวีผมก็อยู่กับการหวีผมกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้ไปคิดถึง คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ถึงเรียกว่ามีสติดึงใจเอาไว้ไม่ให้ลอยไปหาสิ่งต่างๆถ้าไม่ดึงใจเอาไว้เวลาจะทำใจให้สงบนี้จะทำไม่ได้าวาวใจไม่ยอมเข้าข้างในถ้าไม่เข้าข้างในใจก็จะไม่สงบ ถ้าใจยังรับรูกกบกก้กับรูปเสียงกลิ่นรสยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อยู่ใจก็จะไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่เข้าสู่ความสงบ ก, ก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบความสงบที่สมบูรณ์แบบความสงบที่ได้จากทานที่ได้จากสีนี้เป็นเป็นส่วนย่อยเป็นส่วนน้อย เป็นส่วนที่จะสนับสนุนให้ได้เจริญสติเพื่อให้ได้เข้าสู่ความสุขความสงบที่สมบูรณ์แบบ mm hmm. ก็คือจิตรวมลงเป็นเอกขัตตาลมสักตาวะรูเป็นอุเบคา mm hmm. ว่างจากความคิดตุงงต่งต่าง ๆ, ๆบางครั้งก็ว่างจาก รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะว่างจากร่างกายหายไปหมดเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ตามลําพังบางครั้งใกล้รับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะอยู่รับรู้ว่ายังมีร่างกายอยู่แต่ไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะใจจะเป็นอุเบกขาเฉย ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะคันตรงนั้นคันตรงนี้จะได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ก็จะไม่รู้สึกลำคาญใจจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจเบา อ, อกเบาใจอันนี้แหละคือความความสุขที่เกิดจากความสงบและสมาธิแบบนี้แหละที่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่จะมีกําลังในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อความสุขต่อความสงบเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือต้องทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปเพื่อที่จะได้ความสุขความสงบที่ถาวรการปฏิบัติทั้งหมดนใน มีเป้าหมายอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่การฆ่ากิเลสดับตัณหาความอยากต่างๆเพราะว่าถ้าตาบใดยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่ภายในใจใจก็ยังจะไม่สงบอย่างเต็มที่และถาวพรพาเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมาความสงบที่ไดจากการทาทานได้าจากการรักษาสี หรือได้จากการนั่งสมาธิก็จะถูกทำลายไปถ้าได้ความสุขความสงบจากการนั่งสมาธิแล้วเวลาออกมาต้องต่อสู้กับความโลภต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆไม่ให้ดึงไปให้ดึงใจไปหาความสุขจากความโลภความอยากต่างๆ เช่นออกจากสมาธิแล้วพอเกิดความอยากอยากเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผู้ถ้ก็ต้องหยุดมันยกเว้นในกรณีที่จําเป็นเช่นถึงเวลาต้องดื่มน้ําอันนี้ถ้าดื่มน้ําเพื่อร่างกายที่กระหายที่ขาดน้ําก็ดื่มได้หรือถึงเวลาที่จะต้องรับประทานอาหารให้อาหารแก่ร่างกายเพราะถึงเวลาแล้วก็ต้อง รับประทานไปแต่ไม่ได้รับประทานเพื่อจะได้เสพกับลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะของอาหารรับประทานเพื่อเติมาธาตเติมอาหารให้กับร่างกายเพื่อร่างกายจะได้อยู่ต่อไปอันนี้เป็นการข้อยกเว้นคืออาหารกับน้ำที่จะต้องดื่มจะต้องรับประทานตามความต้องการของร่างกายอาหารนี่ความต้อง ก็รับประทานเพียงวันละครั้งก็พอเหมือนกับการเติมน้ำมันรถเติมทีเดียวให้เต็มถังไปเลยเติมหนเดียวก็พอสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรือสำหรับร่างกายรับประทานวันละมือ้อก็พอที่จะประครับประคองไม่ให้ร่างกายอดอยากขาดแคลนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปได้ รับประทานวันละมื้อนี่ก็จะอยู่ได้อย่างสบายนี่คือข้อยกเว้นเวลาที่ออกมาจากสมาธิแล้วใจเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องพิจารณาว่าอยากเพราะอะไรถ้าอยากเพราะความต้องการของร่างกายเช่นอยากจะดื่มน้ําเพราะร่างกายขายน้ําอย่างนี้ก็ดื่มน้ำปเปล่าๆร่างกายไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการรถไม่ต้องการกลิ่น ของน้ําถ้าต้องการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นการดื่มตามความอยากถ้าเราดื่มตามความอยากความอยากนี้ก็จะมาทําลายความสงบที่เราได้จากสมาธิดังเราต้องระมัดระวังเรื่องของการดื่มถ้าอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่มีสีมีกลิ่นมีรสว่าะ จะช่วยให้ร่างกายมีกําลังก็ต้องเดือมเป็นเวลาเช่นวันละหนึ่งครั้งพระปฏิบัตินี้จะมีการเดือน้ำปานะกันวันละหนึ่งครั้งในช่วงบ่า ย, ายจะก่อนปั ด, ปดกวาดหรือหลังจากปัดกวาดก็ได้แล้วแต่วัดจะกําหนดเวลาขึ้นมาแต่จะอนุญาตอ น, นุโลมให้เดือมเพียงวันละหนึ่งครั้ง แต่สำหรับพระที่ท่านปฏิบัติอย่างเข้มข้นนี้ท่านไม่สนใจกับเรื่องการดื่มน้ำปานะเลยเพราะเหตุผลนั่นเน่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีน้ำปานะให้ดื่มท่านก็ดื่มแต่น้ำเปล่าไปหรือเป็นเพราะว่าท่านต้องการที่จะปิดกั้นทางออกของกิเลสตัณหาท่านก็เลยไม่ดื่มน้ำปานะทั้งหมด เอาแต่น้ำเปล่าๆเพียงอย่างเดียวดื่มเพื่อร่างกายเท่านั้นเองรับประทานเพื่อร่างกายแต่จะไม่รับประทานไม่ดื่มเพื่อกิเลสตัณหาเ mm. พราะว่าถ้าทําตามกิเลสตัณหาก็จะมาทําลายความสงบทําลายความสุขที่ได้จากความสงบนี่อง mm. นี่คือความระมัดระวังหรือเลือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ พอออกจากสมาธิมาแล้วใจนี้ต้องคอยตั้งเป้ารับความโลภความอยากเวลาเกิดขึ้นมานี้ต้องขัดขวางมันต้องต่อสู้มันทุกวิถีทางไม่ปล่อยให้ทำไปตามความอยากของกิเลสตัณหาเลยด้วยการใช้ปัญญาสอนใจเตือนใจว่า ความอยากนี้เป็นตัวที่จะทำให้ทำลายความสงบเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาและเป็นตัวที่จะฉุดากให้จิตนี้ต้องอยากไปเรื่อยการทำตามความอยากเท่ากับการต่ออายุของความอยากให้ยาวขึ้นไปเรื่อยการถน่นความอยากไม่ทำตามความอยาก เป็นการตัดอายุของความอยากให้สั้นลงไปเรื่อยๆและให้กำลังของความอยากอ่อนลงไปเรื่อยๆครั้งนี้เราเราหยุดความอยากได้ถ้าสมมติว่าเราติดกับการดื่มกาแฟพอเราออกจากสมาธิมาอยากจะดื่มกาแฟเราก็ต้องไม่ดื่มถ้าจะดื่มก็ดื่มน้ำเปล่าให้กับร่างกายครั้งแรกก็จะรู้สึก รุนแรงหน่อยรู้สึกทุกข์มากหน่อยแต่พอเราเรารักษาความสงบไม่ได้เรามีสมาธิความสงบนี้จะช่วยประทับประคองไม่ให้รู้สึกทรมานมากเกินเกินไปแล้วพอทั้งที่สองอยากขึ้นอีกก็ฝืนอีกไม่ทําตามอีกความอยากก็จะเบาลงไปน้อยลงไปตามลําดับจน จะไม่มีความอยากดื่มกาแฟเกิดขึ้นหม่ต่อไปถ้าไม่มีสมาธิมีความสงบจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจจะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากดื่มกะแฟได้ดังนั้นการที่เราจะต่อสู้หยุดความอยากต่างๆได้เราต้องมีสมาธิก่อนถ้าเป็น และถ้าเป็นร่างกายก็เหมือนกับว่าต้องมีอาหารรองท้องก่อนถ้ามีอาหารรองท้องก่อนพออยากจะกินอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาเราก็บอกว่าไม่กินยังไม่ถึงเวลาเราก็พอที่จะทนได้เพราะว่าเรามีอาหารรองท้องอยู่บ้างแล้วอันใดถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบจากการนั่งสมาธิแล้ว เวลาออกมานี้จะไม่หิวกระหายเหมือนกับคนที่ไม่มีสมาธิจะมีความอิ่มความพอเพียงแต่พอเผลอไปคิดถึงกาแฟเข้าเท่านั้นแหละก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้าเรามีสติปัญญาระ ง, งับความอยากนั้นทันทีมันก็จะระ ง, งับได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราเผลอปล่อยให้คิดอยู่เรื่อยๆตร ง, งแต่งถึงกาแฟอยู่เรื่อยๆ มันก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราไม่หยุดความคิดปรุงแต่งอันนี้เสียมันก็จะทำให้เราทนไม่ได้ต้องไปดื่มกาแฟต่อก็ได้ดัง น, นั้นเวลาเกิดความอยากนี้เราต้องหยุดมันทันทีอย่าไปทำตามความอยากอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราอยากหรือถ้าจะคิดถึงเรื่องที่เราอยากก็ต้องคิดถึงมุมมุมกลับคิดถึงส่วนที่มันน่าทะแยง คิดถึงในส่วนที่ไม่น่ารับประทานเช่นดูกาแฟที่ดื่มก็ปแล้วเวลาปัสสาวะออกมาเวลาออกมามันก็เป็นแค่ปัสสาวะนี่เองถ้าอยากจะดื่มกาแฟก็ลองถามตัวว่าดืม่มว่าดื่มปัสสาวะแทนได้ไหมมันก็เป็นกาแฟเหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็อาจจะไม่อยากจะดื่มก็ได้นี่คือการต่อสู้ กับความอยากหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วเราต้องใช้ปัญญามาเป็นเครื่องต่อสู้ต้องพิจารณาว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวปเดียวประเดาได้มาแล้วดื่มแล้วก็หมดไปแล้วก็จะสร้างความอยากดื่มเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะกลายเป็นทาตของความอยากไปราต้องดื่มไปเรื่อยๆ เวลาใดที่ไม่ได้ดื่มเวลานั้นก็จะมีความหุดหงิดใจไม่สบายใจทุกใจถ้าไม่ดื่มตามความหยุดความอยากได้ไม่ไปคิดถึงมันได้ความอยากก็จะหายไปนี่แหละคืองานของเราคืองานต่อสู้กับความอยากทุกรูปแบบจนไม่มีความอยากต่างๆ น้องเหลืออยู่ภายในใจ <Yeah. S 1> เริ่มต้นก็ต้องทำใจให้สงบหยุดความอยากด้วยการเจริญสติพุทธานุสติสังขานุสติธรรมานุสติหรืออนาปณสติกายกตาสติยสตอย่างใดอย่างหนึ่งก็คุมไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะไม่สามารถอยากก็จะไม่เกิดความอยากได้ ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอออกมาจากความสงบก็จะต้องควบคุมความคิดต่อถ้าควบคุมการคิดต่อมันก็จะเป็นการเจริญสติต่อมันก็จะได้เพียงทําใจให้สงบและหยุดความอยากไว้เชื่อกาวแต่ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วใช้ปัญญาคอยสกับ คอยต่อสู้กับความอยากเวลาเกิดความอยากเกิดขึ้นได้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากน่าใจเห็นโทษใจก็จะหยุดความอยากได้และต่อไปจะไม่อยากอีกต่อไปการที่จะทำลายความอยากอย่างถาวอนี้ต้องทำลายด้วยปัญญาต้องทำลายด้วยเหตุผลคือต้องเห็นโทษของของความอยากว่าจะนาไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุด นไปสู่ความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้เห็นโทษแล้วก็จะไม่อยากพอไม่อยากแล้วต่อไปก็อยู่เฉยๆได้ไม่มีลูกเสียงกินรสสดพระก็ไม่เดือดร้อนไม่มีกาแฟเดื่มก็ไม่ไม่เดือดร้อนไม่มีทีวีดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเพื่อนไม่มีคู่ครองอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวได้อย่างสบาย ดีกว่าอยู่สองคนเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่การที่คนสองคนจะอยู่กันแล้วจะรักกันไปตลอดเวลาจะต้องมีเวลาที่จะต้องโรงกรธกันเบียดกันเพราะจะมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันเวลาใดที่มีความเห็นไม่เหมือนกันเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนหนึ่งอยากจะอยู่บ้านคนหนึ่งอยากจะออกนอกบ้าน อันนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วจะไม่มีปัญหากับใครถ้าอยู่คนเดียวได้เพราะมีความสงบแล้วจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ต้องมีอะไรมีความสุขที่ใจผลิตขึ้นมาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์แล้วสติสมาธิปัญญานี้จะรักษาความสงบนี้ไปตลอดไม่มีวันเสื่อมเสื่อมหรือจะส่งให้ความสุขนี้ไปถึงขีดที่ไม่มีวันเสื่อมก็คือความสุขของพระนิพพานบามังสุขขัง ถ้าจิตได้เข้าถึงความสุขของพระนิพพานแล้วก็หมดหน้าที่ของสติสมาธิปัญญาเพราะว่าเมื่อถึงขีดนั้นแล้วจะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาต่อไปสติสมาธิปัญญาเป็นเหมือนบันไดที่จะพาให้เราไปสู่ห้องที่เราต้องการห้องที่มีแต่ความสุข พอเราเข้าห้องนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องใช้บันไดนั้นอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการเข้าหาความสุขที่แท้จริงด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาด้วยการตัดกิเลสตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เสรความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ศีลก็เป็นศีลแปดเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่รับประทานอาหารแบบไม่มีขอไม่มีเทไม่หา <c oughs> ไม่หาความสุขจากเครื่องบรรเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์รูออ่า สวยสดพิสดารเลือใช้เครื่องสำอางใช้น้ำมันน้ำหอมต่างๆไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนฟูกหนาๆถ้าหลับนอนก็หลับเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายนี้นอนบนพื้นไม้พื้นแข็งก็ได้ถ้านอนบนพื้นแข็งก็จะนอนไม่นานจะได้ไม่เสียเวลา จะได้มีเอาเวลาที่จะหมดไปกับการหลับนอนมาใช้ในการภาวนามาสร้างความสุขความสงบมาตัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่บังคับตัวเราเองให้ปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับเราได้เราต้องเป็นผู้บังคับตัวเราเอง ด้วยการเห็นคุณเห็นโทษของการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติเห็นคุณว่าปฏิบัติแล้วจะได้ประโยชน์มากได้ความสงบได้ความสุขมากเห็นโทษถ้าไม่ปฏิบัติก็จะถูกความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆมาสั่งการก็จะกลายเป็นทาตของความโลภความโกรธความหลงของความอยากไปอย่างที่เคยเป็นอยู่อย่างไม่มีวันหมดสิ้นไป ถ้าเราไม่ต้องการจะเป็นท่าต้องการมีมีความเป็นอิสระภาพเป็นตัวของตัวเองอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องไปรับใช้ความโลภความอยากเราก็ต้องหมั่นปฏิบัติหมั่นทำบุญให้ทานรักษาศีลและภาวนาเพรนี่คือทางที่จะนำไปสู่ความสิ้นสุด ของกิเลสตัณหาความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลาย<ม>การปฏิบัติของเรานี้เราไม่ต้องการที่จะได้ลาบยศสรรเสริญไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ร่ํารวยให้มียศสูงขึ้นใหญ่ขึ้นมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะได้ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเช่น มีตาทิพยูทิพย์อ่านวาลจิตของผู้อื่นได้ติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้อย่างนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติแต่อาจจะเกิดผลเหล่านี้ขึ้นมาได้ก็ต้องไม่ไปหลงไปคิดว่าเป็นผลที่เราต้องการขอให้ถือว่าเป็นของแถมเหมือนกับเวลาไปเติมน้ามันรถสิ่งที่เราต้องการก็คือน้ำมัน เราไม่ต้องการของแถมเช่นผ้าขนหนูหรือนน้ำดื่มแต่ถ้าเขาให้มาก็รับเอาไว้ก็ได้แต่อย่ารับมาแล้วก็ขับรถออกไปโดยไม่ได้เติมน้ำมันเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำมันเดี๋ยวรถก็วิ่งไม่ได้ฉนันใดการภาวนาการปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะเติมความสงบให้กับใจเติมอุเบกขาให้กับใจเติมปัญญาให้กับใจ เพื่อจะได้มาทำลายกิเลสตัณหาแต่พอนั่งสมาธิไปแล้วได้บรรลุได้บรบรลุอิทธิฤทธิ์ต่างๆแล้วก็ไปรับเอาอิทธิฤทธิ์นี้มาใช้เอามาเล่นกับอิทธิฤทธิ์โดยที่ไม่ได้สนใจที่จะภาวนาให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขา เวลาออกจากสมาธิมาก็จะไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาจะไม่อยากต่อสู้กับกิเลสตัณหาแต่อยากจะทําตามกิเลสตัณหาเช่นกิเลสตัณหาก็จะบอกว่าเอาอิทธิฤทธินี้เอามาใช้เป็นเครื่องมือหาสิห า, หาความสุขต่างๆอยากได้อะไรก็ได้อย่างสบายบอกคนอื่นให้ดูว่าเรามีฤทธิเดกขึ้นมาคนอื่นเขาก็จะ เติรติร์นเติรมงคลเติรนเต้นดีใจว่าได้ทําบุญกับผู้มีอิทธิฤทธิปาฏิหารจะได้บุญมากๆจะได้ร่ำจะได้รวยเขาก็จะเอาเงินเอาทองมาให้อย่างมากมายจ่ายกองพอมีเงินทองแล้วทีนี้อยากจะเสพกลางก็เสพได้แล้วอยากจะซื้อรถซื้อเครื่องบินซื้อคอนโดซื้อบ้านอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศ ก็ไปได้อย่างสะดวกอย่างสบายนี่แหละถ้าเราไปติดกับเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารแล้วมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาไปมันก็จะชุดรากให้เราไปเสีการมต่อไปเราก็จะเป็น่าของกิเลสตัณหาเราก็จะต้องรับผลที่เราเป็น่าของกิเลสตัณหาก็คือรับความทุกข์ต่อไป เวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเวลาภาวนาต้องระมัดระวังเราไม่ได้ภาวนาเพื่ออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ถ, าถ้ามีก้าอย่าไปสนใจเป้าหมายของเราก็คื อ, อ, อ, อการรวมของจิตเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์เดียวคือสักแต่ว่ารู้ เป็นอุเบกขาเท่านั้นที่เราต้องการถ้าได้สมาธิอย่างนี้ก็ให้อยู่ในนั้นให้นานๆจนกว่ามันจะถอนออกมาเองยังไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้ต้องมายุ่งตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วเพราะตอนอยู่ในสมาธิไม่มีความอยากไม่มีปัญหาไม่จําเป็นจะต้องเจริญปัญญาแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วนี่ เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาตอนนั้นนหละจะต้องใช้ปัญญาเข้ามาหยุดมันให้ได้ถ้าออกมาใหม่ๆยังไม่มีปัญหาก็ต้องทำการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนต้องซ้อมไว้ก่อนสมมุติไว้ก่อนว่าถ้าเกิดความอยากขึ้นมาเราจะหยุดมันได้หรือเปล่าถ้าอยากจะดื่มกาแฟอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะไปทอดผ้าปา่าไปทอดกระถินไปทาบุญ อย่างนี้ถ้าเป็นนักภาวนาแล้วการอยากเหล่านี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันนักภาวนาแล้วจะไม่อยากอะไรทั้งนั้นแม้แต่บุญก็ไม่อยากจะทำผู้ที่หยุดความอยากได้หมดนั่นแหละถึงจะเป็นผู้ที่ไม่อยากทอะไรทั้งนั้นบุญก็ไม่อยากทำบาปก็ไม่อยากทำภาวนาก็ไม่อยากภาวนา พอถ้าจิตได้หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากความอยากแล้วมันไม่ต้องทำอะไรแนละ้วมันมีความอิ่มความพอของมันอยู่อย่างนั้นถ้าจะภาวนาก็ภาวนาไปแบบสบายสบายาพักผ่อนจิตใจไปเท่านั้นเองไม่ได้ภาวนาเพื่อหาความสงบหาความสุขแต่อย่างใดเพราะความสุขความสงบความสุขมันมีอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วนั่นเองดังนั้นขอให้เราเข้าใจ ถึงเป้าหมายของการปฏิบัติของเราว่าเพื่ออะไรเราปฏิบัติเพื่อความสงบความสุขใจด้วยการทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปนี่คือเป้าหมายของเราส่วนของอย่างอื่นที่ได้มาก็ถือว่าเป็นของแถมไม่ต้องไปสนใจร่ได้มาก็รับเอาไว้แล้วก็ทิ้งไปก็ได้ เช่นได้ผ้ามาก็รับมาแล้วก็ทิ้งไว้ในรถได้น้ำมาก็ทิ้งมันไว้ในรถก็ได้เพราะเวลาเราไปเติมน้ำมันรถเราไม่ต้องการผ้าหรือต้องการน้ำมันเราต้องการน้ำดื่มเราต้องการน้ำมันรถเพื่อให้รถวิ่งไปได้การภาวนาเราต้องการความสงบเท่านั้นเราไม่ต้องการอิทธิฤทธิปาฏิหารอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องการไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์ไม่ต้องไปอ่านจิต วาลจิตของผู้อื่นไม่ต้องการการลึกชาติของเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์ดับความอยากถ้าเราต้องการดับความทุกข์ดับความอยากเวลาออกจากสมาธิเราต้องให้เห็นอริจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากให้เห็นว่าเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ก็คือการเห็นอริจังเห็นอนัตตาเห็น ความทุกเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเราให้ความทุกข์กับเราเพราะว่าเขาไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลมีการเจริญมีการเสือ่อมและเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนธรรมชาติของต่างๆในโลกนี้ความจริงเป็นธรรมชาติหมดแม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นธรรมชาติเราจะไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เสมอไป ได้บ้างบางเวลาบางเวลาก็สั่งไม่ได้เวลาสั่งไม่ได้เวลานั้นจะทุกข์ทรมานใจถ้าไม่สั่งแล้วจะไม่ทุกข์ทรมานใจเช่นถ้าไม่ไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายดัยงนั้นขอให้เราเตือนสติสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าการเดินตามทางพระพุทธเจ้านี้ ทำเพื่อความสงบสุขของใจทำเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทำเพื่อดับตัญหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายเท่านั้นให้เราพุ่งเป้าไปดูพระพุทธพระเจ้าดูพระอาหารหันตพระอหตสาวกและพระธรรมคำสอนเท่านั้นอันนี้จะทำให้เราไม่หลงทางถ้าเราไม่ดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว เราจะถูกกิเลดหลอกให้เราออกนอกรูกนอกทางไปได้แล้วเราก็จะต้องพบกับความเสียหายพบกับความผิดหวังที่เดินทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางกลับมาอยู่ที่เดิมเช่นพระที่บวชแล้วสึกนี่ก็เป็นเหมือนกับเดินในวงกลมดีๆนี่เองเดินออกไปแล้วแทนที่จะไปไม่กลับไปบวชไปไม่นานก็สู้ความอยากไม่ได้ก็สิทขาลาเพศ ออกมากลับมาอยู่แบบคารวะใหม่อันนี้เท่ากับเดินในวงกลมไม่ได้เดินแบบพระพุทธเจ้าเดินไปแบบไม่มีวันกลับพระพุทธเจ้าบวชแล้วไม่สึกจาระอรนตสาวงทั้งหลายท่านบวชแล้วไม่เสร็จท่านตายในผ้าเหลืองกันกูบาจารย์ทั้งหลายท่านก็ตายในผ้าเหลืองกันพวกเรานักปฏิบัติก็ต้องตายแบบพระพุทธเจ้าตายแบบ พระอาลาัยตัสสาวกไม่ใช่ตายแบบผู้เสพการถ้ากลับมาเสพการก็ถือว่าเราเดินกลับมาที่จุดเดิมไม่ได้ไปไหนก็ขอฝากเรื่องของการฟังเทศสังธรรมเกี่ยวกับความสุขความสงบนี้ใท่านได้นำเอาไปพปนอิจเจน า, าและปฏิบัติ เพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปาการแสดงก็เห็นว่าสมควรใจเวลาจึงขออุติไว้เกี่ยงท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาสุราป า, าริกโกลเนติสาคารังเอวะเมวะอิโตชิ น, นังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อจิตังปฏติตังตุมหังคิดพเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนะราโสยะามณิโชติรโสยะาสัพพิติโยวิวันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีธีขายุโกภวะ อภิวาทานาสีลิษะนิจังวุฒาปจายโนจตรารโธรรมวัฏติอายุวนโนสุขังภาลังใครมีคำถามอะไรไหมฟังแล้วไม่เข้าใจเลยต้องการให้ขยายความ ให้กว้างขึ้นลึกขึ้นก็ถามได้เวลาแสดงธรรมก็จะพูดแบบกลางๆอาจจะไม่ละเอียดอาจจะไม่เข้าถึงประเด็นที่เราติดขัดอยู่ก็ได้ถ้าต้องการให้เข้าลึกกว่านั้นก็ต้องถามมากาครเดินจงกมนี้ถือเป็นการทำสมาธิเตการเดิ น, น, งนยงกลมนี้ทำได้สองอย่าง จเจริญสติหรือจเจริญปัญญาถ้าจเจริญสติก็ให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวหรืออยู่กับร่างกายเท่นร่างกายเดินก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เท้าเท้าซ้ายเท้าวขวาให้จิตมีงานทําเพื่อจะได้ไม่ไปคิดปรุงแต่ง น, นี่คือเป้าหมายของการเดินจงกรมเพื่อจเจริญสติคือไม่ให้คิดปรุงแต่ง ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องการก้าวเท้าของร่างกายหรือจะใช้การบริกรรมพุทโธไปก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อที่จะได้กลับเข้าไปนั่งสัมสมาธิใหม่เพื่อสร้างฐานสมาธิให้มั่นคงก่อนเวลาที่ปฏิบัติเบื้องต้นนี้จะต้องสร้างสมาธิฐานให้ให้แข็งแรง เหมือนกับการที่จะสร้างอาคารสูงๆนี่จะต้องตอกเสาเข็มให้มันแน่นก่อนให้พื้นมันแน่นเพื่อจะได้รองรับน้ำหนักของอาคารได้สมาธินี่ก็เป็นฐานของปัญญาก่อนที่จะออกทางปัญญาได้สมาธินี่จะต้องแข็งจะนองแน่นจิตจะต้องเป็นเหมือนหินมีความหนักแน่นมีอุเบกขาความหนักแน่นของจิตก็คืออุเบกขา ถ้ามีสมาธิมากๆนี่จะมีอุเบกขามากๆถ้าเราต้องมีความชํานาญเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาที่ต้องการและเข้าได้อย่างง่ายได้รวดเร็วถึงจะเรียกว่ามีฐานมีสมาธิถ้าใหม่ๆนี่ยังแบบล้มลุกคลุกคานอยู่กว่าจะเข้าได้ก็เอาเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงไอ้อย่างนี้ยังถือว่ายัางไม่ เป็นสมาธิที่หน้าที่หนาแั่นยังไม่เป็นฐานของปัญญาก็ถ้าเป็นอย่างนี้ออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญสติต่อควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งต่อไปให้อยู่อารมณ์เดียวจะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้จะยืนก็ได้หรือจะทำอะไรก็ได้เช่นต้องทำภารกิจอาบน้ำอาบท่าล้างถ้วยล้างชามซักเสื้อผ้าป า, าดบ้านถูบ้าน ก็เจริญสติไปได้ด้วยกันพร้อมๆกันจะให้ใจเฝ้าอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ก็ได้หรือจะให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ข้อสำคัญก็คืออย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เรื่องว่าเป็นการเจริญสติห ร, หรือว่าถ้านั่งนานๆแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมการเดินนี่ก็เป็นประโยชน์สองส่วนประโยชน์ทางร่างกายก็คือได้ผ่อนคลายอิเลบท ที่นั่งน า, นานแล้วเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ได้ออกกาลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้ประโยชน์ทางร่างกายที่จะได้จากการเดินจงกลมประโยชน์ทางจิตใจก็ได้สองอย่างได้สติหรือได้ปัญญาถ้ายัางต้องการเจริญสมาธิให้หนานแน่นก็เจริญสติต่อควบคุมความคิดให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย แต่ถ้ามีฐานของสมาธิที่แน่นหนามั่นคงมีอุเบกขาที่หนาแน่นแล้วออกจากสมาธิมาก็เอามาเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญาก็มีสองลักษณะการเจริญแบบทำการบ้านและการเจริญแบบเข้าห้องสอบอการเจริญแบบทำการบ้านก็คือยังไม่มีความอยากเราก็พิจารณาตายลักไปก่อนอันนี้จังทุกครั้งอนัตตา เพื่อเตรียมรับกับความอยากเวลาที่จะเกิดขึ้นมาพอหรือว่าถ้ามีมีเหตุการณ์ที่จะต้องเข้าห้องสอบทันทีเกิดความอยากขึ้นมาทันทีออกมาจากสมาธิก็ได้ยินข่าวว่าไฟไหม้บ้านแล้วทีนี้แหละก็จะดูว่าใจเป็นยังไงใจจะหวั่นไหวจะตื่นเต้นตกใจหรือเปล่าคนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้ว นี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บังคับให้เราเข้าห้องสอบตอนนั้นก็ต้องดูว่าใจมีความอยากหรือเปล่าถ้ามีความอยากก็จะเกิดความเสีย อ, อกเสียใจยังอยากให้บ้านอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าพิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับบ้านมันก็มีพังได้มีท่วมได้มีไหมได้ พอได้ยิงข่าวก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เที่ยงก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้จะถ้าอย่างนี้แสดงว่าทําการบ้านไว้แล้วพอเข้าห้องสอบก็ทําได้เลยหรือว่าถ้ายังไม่ไทําการบ้านพอเข้าห้องสอบถูกบงังคับไม่ทําข้อสอบก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายรักให้ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นตายรักได้เราไปห้ามมันไม่ได้มันจะไหม้ก็ต้องไหม้เราไปหยุดมันไม่ได้เราอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนู้น สามนี้มันไหม้หมดแล้วกลายเป็นที่เท่าที่ทางไปไปเศร้าโศกเสียใจไปเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจก็ไม่ได้ไปหยุดมันได้เราก็สามารถหยุดความอยากหยุดความวุ่นวายหยุดความทุกข์ได้เนี่ยคือปัญญาปัญญานี้ทาได้สองลักษณะทาแบบทาการบ้านไปก่อนหรือทำแบบเข้าห้องสอบขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ตอนที่เราออกมาจากสมาธิว่า ใจเราเกิดความอยากขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดความอยากก็ต้องใช้ใจรละเข้ามาหยุดความอยากถ้าไม่มีความอยากก็ต้องทําการบ้างคิดเผื่อไว้ก่อนคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราของของเราบุคคลของเราได้ทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต้องมีการพัดภาคจากกันต้องมีการสูญเสียอย่างแน่นอนเพงแต่ตอนนี้ยังไม่สูญเสีย เราก็ต้องซ้อมทำไว้ก่อนถามตัวเองไว้ก่อนว่าเวลาเสียเราจะตกใจไหมจะเสียใจไหมจะทุกข์ใจไหมจะอยากให้กลับคืนมาหรือเปล่าแล้วอยากแลามันกลับคืนมาได้หรือเปล่าของมันไปแล้วมันจะกลับมาได้อย่างไรมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งให้มันกลับมาไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เวลา เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะเฉยได้ยังรักษาอุเบกขารักษาความสงบสุขได้ต่อไปยังมีความสุขได้ดีไม่ดีกับมีความสุขมากขึ้น อ, อีกว่าดีแล้วไม่ต้องเฝ้าบ้านไม่ต้องห่วงบ้านไม่ต้องกวาดบ้านถูบ้านสบายจะตายเลยไปอยู่บ้านคนอื่นดีกว่าอยู่วัดีสบายกวาดถูก็ง่ายมีห้องเดียวไว้หลบแดดหลบฝนก็พอ นถ้านี่คือปัญญาเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงมีเกิดต้องมีดแบบับต้องมีการพัดพากจากกันเริ่มต้นก็เอาของที่ต้องคิดถึงเรื่องที่เราลักเราชอบไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นที่ทําให้เราทุกอย่าไปพิจารณาเรื่องที่เราไม่ชอบไม่สนใจมันไม่มันตายไปแล้วไม่เดือดร้อนนี้เราไม่ต้องไปพิจารณาให้มันเสียเวลาให้พิจารณาของที่มันเวลาเขาตายไปจากเราไปแล้วเราเดือดร้อนนั่น เราต้องพิจารณาให้เราทำใจให้ได้ให้รับกับการจากไปของเขาให้ได้ถ้าเห็นว่าเป็นตายรับห้ามไม่ได้สัรเพธรรมานตาทุกสิ่งทุกอย่างเราไปห้ามไปสั่งเขาไม่ได้เวลาเขาจะอยู่เขาก็อยู่เวลาเขาจะไปเขาก็จะไปเพราะเขาไม่เที่ยงไม่แน่นอนถ้าไปอยากให้เขาอยู่ก็จะไปเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อยากจะให้เขากลับมาถ้าเขาไปแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือการเจริญปัญญาที่เราจะต้องใช้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วอย่าปล่อยให้ใจคิดเล่ห์เกื่อยออกจากสมาธิมาก็คิดถึงตู้เย็นคิดถึงตู้ทีวีคิดถึงขนมนมเนยมันจะคิดทันทีเพราะกิเลสมันยังมีอยู่กิเลมันก็อยากจะดื่มโค้ ดื่มกาแฟกินขนมขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะตัดมันไม่ได้หรือถ้าเราไม่มีสติควบคุมบังคับความคิดของเราไม่ให้ไปคิดเดี๋ยวมันก็แพ้เหมืนอนยันเวลาออกจากสมาธิมาแล้วนี่ถ้ายัาง ส, สมาธิฐานสมาธิยังไม่แน่นก็ต้องเจริญสติต่อเพื่อจะฝึกการเข้าออกสมาธิให้ให้คล่องแคล่วว่องไว ให้สามารถเข้าได้อย่างเวลาที่ต้องการเพราะเวลาเรามีปัญหาเราแก้ไม่ได้อย่างน้อยเราก็เข้าไปในสมาธิก่อนได้มีที่หลบภัยถ้าปัญญาผลิตไม่ทันคิดไม่คิดไม่ออกก็หลบเข้าไปในสมาธิก่อนเช่นทุกข์มากๆกับบ้านที่ไฟไหม้ทางไหก็ยังทุกข์อยู่นั่นก็เข้าไปในสมาธิก่อนอย่าไปคิดถึงมันพอออกมาใหม่จะได้ตั้งหลักใหม่ไนดะ้ พอจิตสงบมีอุเบกขาแล้วพอออมาก็ต้องสอนว่ามันไม่เที่ยงเราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้มันกลับมาให้มันเหมือนเดิมอันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันหมดไปแล้วเราห้ามมันไม่ได้ถ้าพิจารณาไปเรื่อยเรืเดี๋ยวมันก็ยอมรับความจริงเพราะมันไม่อยากจะทุกข์พอเห็นว่ามันทุกข์เพราะความอยากมันก็ต้องหยุดความอยากเองเหมือนกับเราตีหัวเราเนี่ยเราเจ็บศีรษะเพราะอะไรเพราะเราตี นี่เราไม่รู้ว่าเราตีมันเราไม่รู้ว่าความเจ็บสีสังเราเกิดจากการตีหัวของเราเองเราก็ตีมันอยู่เรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันที่เราทุกไม่สบายใจก็เพราะวาความอยากของเราเองแต่เราก็ไม่หยุดความอยากมันก็ไม่ความไม่สบายใจมันก็ไม่หายไปกลับไปทําตามความอยากสิก็ยังกลับมาตีสีจะมาทําให้เกิดความทุกข์ใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่ อ, อ, อย bon ๆการทําตามความอยากก็เพียงมันก็หยุดความอยากชั่วคราวเท่านั้น มันก็เลยรู้สึกว่าหายทุกข์เพราะได้กินกาแฟแล้วมันก็ไม่อยากกินแล้วตอนนั้นความอยากดื่มกาแฟก็หายไปแต่เดี๋ยวไม่นานมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราต้องเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเหมือนกับการเจ็บศีรษะของเราเกิดจากการที่เอาค้อนมาทุบศีรษะเราเองที่เราไม่เห็นเราไม่เห็นว่าเราไม่สบายใจเพราะความอยากของเรา เรากลับไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ทำให้เราไม่สบายใจเราไปดูผิดจุดคนนั้นคนนี้เขาไม่ได้เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจเขาไม่ทำตามความต้องการของเราเราไม่สบายใจเราก็ไปโทษเขาว่าเขาทาไม่ถูกขาไม่ดีแทงที่จะมาโทษเราที่ไปอยากให้เขาทำถูกทาดีพอเขาทาไม่ถูกทำไม่ดีเราก็ไม่สบายใจ แต่ถ้าเราเฉยๆไม่มีความอยากให้ก็ทําถูกทําดีก็จะทําถูกไม่ถูกไม่ดีไม่ดีเราก็จะไม่ทุกข์ไปกับการกระทําของเขานี่คือการเจริญปัญญาต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาถ้ามีสมาธิแล้วออกจากสมาธิแล้วแต่ไม่เจริญในขณะที่จิตสงบขณะที่สงบนั้นเป็นเวลาชาร์จแบตเตอรี่เวลาเติมน้ํามันตามอุเบกขาเติมความสุข เติมความอิ่มเติมความพอตอนนั้นไม่ต้องไปพิจารณาให้ออกจากสมาธิก่อนออกจากความสงบก่อนทีนี้พอเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วต้องเอาความคิดนี้มาคิดทางธรรมะคิดทางอนิจจทุกขังอนัตตาไม่ไปคิดทางอาวิชชาปัจจยาสังขารา้าอวิชชาก็คิดว่าไอ้นั่นก็นดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็นนกนสุขไอ้นี่ก็สุขก็อยากได้ขึน้นมาทันที เรคิดว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นอั น, นี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ทุกอั น, นี่ก็ทุกทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันคิดอย่างนี้แล้วมันจะไม่อยากจะไม่เกิดความอยากนี่ไงแล้วพอเกิดเหตุการณ์จริงก็จะผ่านทําข้อสอบผ่านได้อย่างสบายเช่นเวลาแก่ก็จะผ่านเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะผ่านเวลาตายก็จะผ่านได้อย่างสบาย เพราะว่ามันไม่เที่ยงเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ทันทีถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากเหมือนกันถ้าเราไม่อยากจะเจ็บศีรษะเราก็อย่าเอาค้อนมาทุบศีรษะนี่แหละคือปัญญา ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังกันนี้ก็เกิดจากความอยากเท้งนั้นที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกวันนี้ก็มาจากความอยากความอยากเสพการถึงเป็นปัญหาขึ้นมาอยากเสพรูปเสียงกินรถอยากนั่งรถเบนนี่ก็เป็นความอยากเสพการอยากจะนั่งเครื่องบินส่วนตัวนี่ก็เป็นความอยากเสพการความอยากจะใส่แว่นตาหรูๆใช้กระเป๋าหรูๆ ใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของการเสพกามทั้งนั้นนักบวชต้องไม่เสพกามนักบวชต้องมักน้อยสันโดษสมถะเรียบง่ายดูครูบาอาจารย์ท่านใส่แว่นตาหรูๆใช้กระเป๋าหรูๆนั่งเครื่องบินส่วนตัวหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีพระราชรถเดินนําขบวนหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเวลาจ้าวฤกไปไหนไปไ ป, ไปโปรด สัตว์โลกนี้ท่านเดินไปท่านเดินภาวนาไปนี่แหละคือแบบเจ้าักพุทธังสานางกระฉามีชาวพุทธเราไม่มองมองไม่เห็นกันพอมาเจอพวกห่มเหลืองที่กลายเป็นผู้เหาะเหินเดินอากาศได้ก็ตื่นเต้นตกใจมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ประเคนไปให้หมดเลยเพราะหวังจะล่ำจากเวยจากการทำบุญให้ทำบุญกับพระผู้วิเศษเหาะเหินเดินอากาศได้ แล้วท่านก็เอาไปเสพการอย่างสบายพอเป็นข่าวโผลขึ้นมาก็ตกใจกันก็เราเป็นคนส่งเสริมท่านเองเอาเงินไปให้ท่านเองเพราะหลงคิดว่าท่านเป็นผู้วิเศษผู้วิเศษต้องแบบพระพุทธเจา้าแบบครูบาอาจารย์ทั้งหลาย หลวงปู่มั่นที่ท่านเป็นเป็นพ่อแม่ของพระครูบาอาจารย์ในสามัยปัจจุบันเนี่ยท่านอยู่อย่างไรท่านมีรถเกง๋งมีรถเบนซ์หรือเปล่าถ้าอ่านประวัติเนี่ยตอนที่ท่านอยู่เชียงใหม่นินมนต์อาราธนาท่านลงมาจากเชียงใหม่มาโปวดญาติโยมที่อีสานท่านก็นั่งรถไฟมาก็เดินทางแบบชาวบ้านชาวบ้านก็เดินทางอ่งก็เดินทางแบบชาวบ้าน เวลาที่ท่านจะไปตายที่สกลนครเขาก็ต้องแบกท่านไปกันไม่มีรถไม่มีอะไรไม่มีเครื่องบง่งเครื่องบินท่านไม่ให้ความสําคัญกับร่างกายไม่ได้ให้ความสาํ า, า, ค, าสคัญกับการเสพการ<ม>เพราะท่านรู้ว่าการเสพการนี้มันเป็นบ่วงที่จะรัดสัตวโลกให้เวียนว่ายตายเกิดในวัดตาแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบนี่เอง ผู้ที่เสกกรมนี้ก็จะต้องกลับมาเกิดในการมมาพบการมมพบคือพบของไข่กับพบของเทวดาลงมาเทวดามนุษย์เดรัจฉานเปรตนรกนี้เป็นผู้ที่เสกกรรมทั้งนั้นผู้ที่เป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นนรกเพราะเสกกรมด้วยการทําบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดะเวณีปโกหกหลอกลวงเสพอบายามุขต่างๆตรงนี้ ก็ต้องเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นไปตกนรกผู้ที่เสกกรามด้วยการรักษาศีลได้ก็จะไปสวรรค์เป็นเทพเป็นมนุษย์เนี่ยรียกว่าเป็นผู้เสกกรรมผู้ที่ไม่เสกกรามก็จะไปเป็นพรหมคือผู้ที่ถือศีลแปดได้ผู้ที่เข้าฌานได้ทำจิตใจให้สงบได้หาความสุขจากการทำใจให้สงบพวกนี้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมกัน ไม่พวกนี้ไม่เสพการนักบวชต้องไม่เสพการถ้าเป็นนักบวชแล้วเสพการนี่มันไม่ใช่นักบวชนะนักเบียร์เขบอกเบียรการบวชแล้วบวชการเบียรนี่บวช่ทั้งบวชทั้งเบียด์ไปเรื่อยกันบวชด้วยเบียรด้วย ต่พระเนรคนไทยก็คือต้องบวชก่อนเบียดใช่ไหมอายุครบี่สบก็บวชบวชแล้วก็ค่อยค่อยไปแต่งงานแต่งการแต่สมัยนี้บวชแล้วก็เบียดไปพร้อมๆกันเลยเพราะไม่มีใครควบคุมดูแลพระเนนเพราะญาติโยมไม่รู้วิธีการปฏิบัติของพระเนที่ถูกต้องคนจะปฏิบัติอย่างไรกับถูกพระเนนหลอกให้ให้สนับสนุนเรื่องการ เรื่องการเสกการโดยไม่รู้สึกตัวนี่ออกไปข้างนอกปิวจีรว่อ น, อนไปหมดเนี่ยเนี่ยไปเสกการนะนัก บ, บวชที่แทจ้จริงต้องเข้าป่าต้องสํารวมินซีตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไปหมดที่ไหนญ า, าติโยมไปพี่เหลืองเราก็ไปกันหมด <c oughs> นี่ก็ถ่ายโลกถ่ายรูปมาด่ากัในหนังสือพิมพ์ก็ไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร เพราะว่าไม่มีใครรู้เรื่องของพระ ว, ว่าพระวิถีชีวิตของพระเป็นอย่างไรกันก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วอย่างนี้พระออกไปข้างนอกวันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไปชอปปิ้งที่นู่นที่นี่เป็นเรื่องธรรมดาไปหมดแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องตื่นตระหนกเมื่อก่อนนี้เป็นเรื่องตื่นตระหนกนะมีพระไปโพรอะโครจรตามสถานะโครจรต่าง แม้แต่กลิ่นนิมนต์พระเค่งๆพระที่ท่านเข้มคนท่านไม่ท่านก็ไม่รับเห็นไหมเนะี่ยหนุงตาไม่ให้พระรับกลิ่นนิมนต์ก็เพราะไม่อยากให้ออกไปข้างนอกไม่ออกไปเสพการนั่นเองออกไปข้างนอกมันก็เห็นรูปฟังเสียงได้กิน่นมันก็เห็นรูปเสียงของคารวะญาติโยมเดี๋ยวมันก็เกิดการวันลมขึ้นมากลับมาวัดก็ใจก็กว่าจะทําให้สงบได้ก็อีกหลายวันเห็นรูปนั้นแล้วมันก็ยังติดตาติดใจอยู่อย่างนั้น ท่านถึงไม่ให้รับกิจนิมนต์เพราะมันได้ไม่คุ้มเสียไปปวดญาติโยมนิดเดียวแต่ตัวเองกลับมานี่แทบจะตายแทบจะต้องสึกบางทีกลับมาอารมณ์วุ่นๆมากๆกว่าจะทำใจให้สงบได้พระนึมที่ยังไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นี่ถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยรับรองได้ไม่สึก ก, ก็ก็อยู่แบบไม่เป็นพระแล้ว ไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่รวมสํารวมกายวาจาใจใจมันก็จะสงบไปได้เมื่อไม่สงบมันก็จะมีความอยากความโลภถ้าชาวพุทธเรารู้หน้าที่ของพระเวลาพระทำอะไรไม่ถูกเราก็ไม่สนับสนุนนี่เราไม่รู้เรากลัวบาปกันไปไมหมดท่านพูดอะไรก็เชื่อไปหมดดีไปหมด เพราะพระโกหกไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าละลึกชาติได้ก็ต้องเชื่อบอกว่าตัดกรรมได้ก็ต้องเชื่อบอกว่าไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกมาก็ต้องเชื่อแล้วใครไปพิสูจน์ได้วาพูดจริงนรือพูดไม่จริงเรืนอของบางอย่างถึงแม้จะเป็นความจริงก็ไม่กล้าพูดคนที่รู้จริงเห็นจริงเขาไม่กล้าพูดหรอก เขากลวจะถูกถ้าคนเชื่อก็ดีไปแต่คนไม่เชื่อเขาอาจจะมากล่าวหาได้ว่าอุตริตหรือเปล่าหรือว่าถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เรื่องของเดรัจฉานวิชาต่างๆนี้พูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับคนฟังทำให้คนฟังเกิดความรุ่มหลงขึ้นมาก็ไม่ควรพูดควรจะพูดในเรื่องที่ทำให้เขาหูตาสว่าง พูดเรื่องใจรักพูดเรื่องอริยสัจสี่เราจะเห็นไ้เห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่เราจะพูดก็พูดได้เต็มปากไม่เป็นปัญหาไม่เป็นโทษกับใครแต่ถ้าพูดเรื่องเดรัชานวิชาพูดเรื่องเนื้อลือชาติได้เลือกพูดเรื่องชาติก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชาตินี้เลยต้องมาเป็นหลวงปู่อันนี้มัน ไม่รู้พูดไปทำไมพูดเพื่อสร้างยกตนเองให้ให้มีความสำคัญให้หน้าเรื่องสายศรัท ธ, ธาคนที่จะเริ่มสายศรัท ธ, ธาคนแบบนี้ก็คือคนตาบอดเท่านั้นคนที่ไม่รู้ธทรรมคนที่รู้ทรรก็ไม่เขาไม่เรื่งสายศ ร, รัทธากับเรื่องเหล่านี้เพราะนัน้าพูทเราต้องฉลาดต้องศึกษา พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้รู้ว่าพระแท้จริงเป็นอย่างไร พระปเป็นอย่างไรพระแท้ท่านอยู่อย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรไม่มีใครศึกษาการสนใจเป็นชาวพุทธแท้แต่สู้พวกคนที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธไม่ได้พวกชาวต่างประเทศเนี่ยเขาศึกษาถึงแก่นเลยเวลาเขาเข้าหาศาสนานี่ยเขาเข้าไปในพระตไตรปิฎกเลยศึกษาพระพุทธประวัติศึกษาพระธรรมคําสอนเขาจึงไม่หลงกันเนี่ย เข้ามาเมืองไทยนี่เข้ามาบวชก็ไม่ได้มาเพื่อจะม า, ามาหาลาบสักการะต่างพวกเราเป็นเหมือนอไก่ได้พลอยมีของดีกลับเขียทิ้งไปชอบของไม่ดีชอบตัวนอนตัวไส้เดือ น, อ น, อนชอบอิทธิฤทธิปาฏิหารชอบวัตถุมงคล ชอบเสษชอบเป่าชอบฟังพระสวดฟพระสวดแล้วเสกโอ้โหมีความสุขเหลือเกินได้บุญมากแต่ไม่รู้ว่าสวดอะไรไม่เข้าใจความหมายเลยเาการสวดก็คือสวดพระธรรมคำสอนเป็นการสั่งสอนเพียงแต่ว่าไปสอนภาษาบาลีไม่สอนภาษาไทย คนฟังก็เลยไม่เข้าใจเลยไม่ได้ปัญญาถ้าตั้งใจฟังก็อาจก็อาจจะได้สมาธิคือเวลาฟังพระสวดแล้วตัวเองไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจดจ่ออยู่กับการฟังก็จะได้นิส่์ทำให้ใจสงบได้แต่จะไม่ได้ปัญญาจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันสอนให้เราร่ำรวยหรือสอนให้เรายากจน ถ้าปฏิบัติถ้าศึกษาแล้วจะรู้ว่าสอนให้เรายากจนเพราะความรวยนี้เป็นทุกข์วามรวยดับความทุกข์ไม่ได้ความร่วมรวยจะเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นเพรารวยแล้วก็ไม่อยากจะจนกลัวความจนความกลัวความจนนี้ก็คือความทุกข์แต่พวกเราทุกคนนะในที่สุดก็ต้องจนกันหมดเวลาตายก็ ไม่มีสมบัติเหลืออยู่แม่ต่บาดเดียวเวลาจะตายนี่จะทุกข์มากคนที่กลัวความจนความตายมันยังไม่ค่อยกลัวกลัวที่จะต้องจากจากทรัพย์สมบัติจากสิ่งต่างๆไปมากกว่าคนที่ไม่มีเวลาจะจากนี้เวลาตายเขาไม่ค่อยเดือดร้อนอย่างขอทานนี่เวลาเขาตายเขาเขาไม่มีอะไรต้องเสียใจเสียดายก็กลับดีใจว่าจะได้หมดทุกข์สที อยู่มากก็ทุกทรมานเหลือเกินนั่นแหละศาสนาพุทธสอนให้เราให้มีความสุขใจให้รวยทางจิตใจรวยด้วยทรัพย์ภายในรวยด้วยทานรวยด้วยศีลรวยด้วยภาวนารวยด้วยมรรคผลนิพพานเพราะอันนี้แหละเป็นทรัพย์ที่จะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงและจะเป็นความสุขทรัพย์ที่จะติดไปกับเราทุกภพทุกชาติ ก็ขอให้เราศึกษาธรรมะ ก, กันให้มากๆเราจะได้ไม่หลงทางกันจะได้ไม่ถูกกลอนี่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งกี่กี่ครั้งกีลล่หนแล้วพอจางหายไปตั้งสองสามปีก็โผล่ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่นี้ก่อนนะไล่มาลองนับมาดินี้ก่อนโพธิรัตเนี่ยเวลาโผล่ขึ้นมาใหม่ๆก็ตื่นเต้นกันคิดว่ามีศาสดาองค์ใหม่มากันแล้วแล้วเดี๋ยวก็เกิดเรื่องเช้ากันตามมา แล้วพอสงบตัวไปสักพักนี้มีโผล่ขึ้นมาใหม่เลยก็นามาแนวเดิมมาอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ <c oughs> ชาวบ้านก็ชอบเพราะชาวบ้านไม่เคยศึกษาธรรมะกันไม่รู้ว่าของที่วิเศษวิโสจริงๆนั้นเป็นอย่างไร <c oughs> คิดว่าอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี้เป็นของวิเศษไม่ได้คิดว่าการ ดับความทุกข์นี่เป็นของวิเศษกันเวลาสอนให้ดับความทุกข์นี่ไม่ชอบกันไม่อยากให้รักษาศีลไม่เอาให้ภาวนาให้นั่งสมาธินี่ไม่เอาถอยหนีให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี่ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยพอคิดคาว่าตายขค่นั้นโอ้ไม่เอาแล้วไม่มองคนแล้ว เพราะขาวการศึกษาเป็นพุทธแต่ชื่อพุทธในทะเบียนบ้านไม่ได้พุทธแท้พุทธแท้ต้องรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมคาสอนรู้จักพระอรหลันตสาวกนี่ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าวิเศษตรงไหนวิเศษอย่างไรคําสอนของพระพุทธเจ้าวิเศษอย่างไรพระอรหลันตสาวกท่านวิเศษอย่างไรพวกนี้ไม่รู้จักจะรู้จักแต่พระที่จากวัตถุมงคลเท่านั้น ถ้าที่ไหนมีแจกว่าถึงมงคลเนี่ยโหคนไปกันเป็นหมื่นเป็นแสนพอไปแจกธรรมะนี่กระจายเลยพอตั้งหน้าโมจะเทศต่นั้นลุกไปหนีกันไปนะเอาแล้วนะวันนี้พูดด่าคนอื่นมากครัวเดีย๋ยวโดนด่ากับ ใครอยากจะกลับก็กลับได้นะใครจะอยู่ต่อก็แล้วแต่เหตุการณ์ตอนนี้ขอพภาคเห๋ยว มาแล้วเหอเั็วนะปับสมัยนี้เนี่ยเทวดาเนี่ยบินได้ไมเนี่ย <laughs> บินได้ระดับความทุกข์ได้วะ <laughs> พวนี้ได้ถวายละโยนเพงแต่ว่าบางของืองอย่างยังรับประเคนไม่ได้เพราะว่าถ้ารับประเคนแล้วมันมีอายุที่จะต้องแต่บุญได้เท่าเท่ากันได้เต็มรอยแล้ะได้มากกว่าด้วยเพราะได้ทำตามพระธรรมวินยัย <c oughs> ไม่ไปบังคับให้พระทำผิดพระวินยัยรู้ใจัม้มถ้าจะให้ประเคนของที่เป็นของฉันนี่ก็ผิดพระวินัยนะ <c oughs> บงดีของสังฆทานที่ใส่มามีทั้งนมมีทั้งขนมมีทั้งอะไร แล้วจะให้พ้ารับประเคนถ้าไม่รับประเคนกไม่ได้บุญถ้าพ้ารับประเคนพ้าท่านก็ผิดเพราะวินัยแนละ้แล้วของที่รับประเคนก็เก็บไว้ฉันไม่ได้ต้องสละไปในเข้าใจนะในเวลาพ้าบอกให้ทำเราเชื่ออันนี้ไม่โกหก <c oughs> <c oughs> ควรจะเดินจงกรมก่อนแบบนีงไง้ออไม่แล้วแต่อธยาศัยถ้านั่งมากนั่งนานก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเดินมากก็ต้องกลับไปนั่งแล้วแต่แตออเจริญสติก็ต้อ ง, จงเจริญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเดินจงกรมพอลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนจะลุกไปทําอะไรก็ตั้งสติก่อนนะไม่ให้ใจลอยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ควบคุมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นและอยู่กับพุทโธไปเลย แล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิไปทีนี้คนบางคนก็ไม่มีภารกิจยังต้องทาเขาก็นั่งทั้งวันพวกก็นั่งมากๆเขาก็เมื่อยเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเดินอย่างพระนี่ก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็มีแต่นั่งนั่งเสร็จเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมทอพอเดินเมื่อยก็กลับไปนั่งต่อเขาจะให้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลานอนหลับเท่านั้น ใหงานภาวนาของพระส่วนใหญ่จะอยู่ที่ท่าเดินกับท่านั่งอต่ญาติโยมนี้วันนึงมันไม่มีเวลาปฏิบัติมัวแต่ไปยุ่งกับการงานทํางานทําการหากินหาอะไรอยู่ก็ทําได้แค่แค่ควบคุมความคิดควบคุมใจให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับงานที่ทำไม่ให้คิดเปล่ยนแต่ก็ก็ห้ามไม่ได้บางทีต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยคนนั้นคนนี้มันก็ไปละมันก็ลอยไปพุ่งไปละ ถ้าอยากจะควบคุมความคิดใท้ๆต้องอยู่คนเดียวปีกวิเวกอันนั้นจะได้ต่อสู้กับมันไม่มีคนอื่นมาคอยมาเป็นกองเชียร์ถ้าอยู่กับคนอื่นเดียวก็อ้างได้ต้องคุยคนนั้นคุยคนนี้ต้องทำอยู่คนเดียวนี่มันจะคิดก็ลองบังคับมันพุทธโทอย่างเดียวอ่าใครอยากจะถวายของขึ้นมานะใครมาที่หลังก็ขึ้นมาได้ ทำบุญมีลานีคนเอาองก็ป่าะให้ไหมะเอาใส่ฟองแล้วก็จบเพราะน่นนู่นนเ่อพอเดี๋ยวนี้เขได้ศึกษาทหมดแต่ถ้าจับก็จะถ้าสิถ้าใครมาปุ๊บผมก็จะอีกบันใส่แล้วก็แล้วก็วางไปถึงนี้คอว่าเป็นอสัะว์ละถูกทางแล้วคือเราไม่ไม่เสียดายเงินไม่หวงเงินเ้าไม่ต้องการอะไรจากการทำบุญเพราะมันผลที่เราได้ก็คือความสงบความไม่ตันีความไม่ยึดติด ดับความโลภดับความทุกข์ที่เกิดจากเรื่องเงินทองไม่เสียดายเงินทองคนที่เสียดายเงินทองเวลาเงินหายไปทักบาท น, นี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะเอาจริงจริงนะเพราะหวงแต่ถ้าเราทําบุญทาำทานก็เราเป็นการฝึกปล่อยวางตัดความโลภตัดความตนีตัการใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเราก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจ ต่อไปก็แทนที่ยาเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญแท น, นแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่หาเงินมากก็จะมีเวลามารักษาศีลมาภาวนาได้อย่างเช่นแม่สาวธิตาคุณก็มีเวลามาวัดได้ถ้าคุณไปเที่ยววันนี้คุณก็มาไม่ได้ ไม่ละเราเผลอเราไม่ทำต่อเราไปคิดปรุงแต่งถ้าเราภาวนาต่อมันก็จะไม่มันไม่เบื่อแล้วเพราะมันเบื่อต้องรีบภาวนาทันทีต้องนั่งทันทีต้องพูดโททันทีเนือะไรทันทีอย่าปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งพอมันคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะเบื่อเราผ่านมาแล้วเรารู้กลมันพอเราภาวนานั่งสมาธิปั๊บมันก็หายไปความเบื่อก็หายไป พอใจสงบไม่คิดปัุงแต่งมันก็หายไปนั่นจระแต่ว่าลูกก็เดินตรงตนเงเยอะมากแต่ว่านั่สะานกี่น้อยแล้วแต่ได้ทั้งนั้นอนะ่ะขอให้ใจไม่เบื่อไม่ทุกข์ก็แล้วกันวิธีไหนก็ได้ใช่ถ้าอยากจะให้จิตรวมเข้าสู่คาวามสงบอย่างเต็มที่ก็ต้องนั่งเพราะการเดินนี้จะทำให้รวมรวมยาก ไม่ค่อยรวมเท่าไหรเพราะยังต้องเคลื่อนไหวอยู่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวใจต้องทํางานแต่เวลานั่งเฉยๆนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ใจควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายใจก็จะได้เข้าปล่อยวางร่างกายได้อย่างเต็มที่ยกเว้นในกรณีพิเศษเช่นหลวงปู่ชอบนี้ท่านเดินเดินทุดงในป่าตอนกางคืนท่านก็เดินจงกรมไปนี่พอท่านเดินไปเจ้าเอกับเสือเสือมันก็เลยมาข้ามให้จิตของท่านรวม พรท่านมีสติพอเห็นเสือปั๊บใจมันก็วุดเข้าไปข้างในดิ่งเข้าไปทั้งหมเสือก็หายไปร่างกายก็หายไปพอออกมาจากสมาธิเทียนที่จุดไว้ก็มอดไปหมดแล้วท่านถือคมคมไฟคมผ้ามีมีมีเทียนอยู่ข้างในพอเจอเสือปั๊บจิตมันก็ดิ่งเข้าข้างในเลยหลงรวมร่างกายก็หายไปเสือก็หายไปพอถอนออกมา เห็นตัวเองยืนถือถือโคมไฟอยู่แต่ไฟเทียนที่อยู่ในโคมไฟนั้นไหม้หมดไปแล้วเสือก็หายไปไหนแล้วไน่รู้ะเสือไม่ทำอะไรเพราะเหมือนถ่านเป็นเหมือนต้นไม้ท่านยืนอยู่เฉยแต่ถ้าวิ่งนี่มันคงจะไล่ไล่ตามแลีมันจะรวมได้เฉพาะช่วงที่มันมีเหตุการณ์วิกฤตแล้วสติต้องดี ถ้าสติไม่ดีสติแตกก็วิ่งเลยหรือ ว, วเป็นลมเลยแต่ถ้าสติดีมันจะประคับปองจิตให้เข้าข้างในอันนี้เป็นวิธีกาเล็กๆนี้พิเศษการเดินจกกนยกมือใหญ่จะไม่รวมแต่สงบได้บางทีเดินไปแล้วจิตก็จะเป็นอุบเบกขาขึ้นมารู้สึกเดินแบบเดินบนเดินบนเมฆเลยเดินแวรู้สึกว่ามันเบาตัวเบา เท้าที่เหยียบบนพื้นก็นิ่มไปหมดเลยใจก็รู้สึกเบาสบายไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเมื่อยอะอย่างนั้นก็เกิดขึ้นได้เวลาใจสงบจากการเดินจงกรมต้องจุดนั้นแม้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราต้องหยุดเลยไหมคะก็แล้วแต่เราเดินต่อก็ได้ก็ดูเ <c oughs> สียว่า <c oughs> ยิ่งพอกลัวมันจะหลุดอ่องอะอย่างองี้ยกลัวเป็นความอยากอยากจะให้มันอยู่อย่าไปอยากนิ่งแล้วก็ทําของเราต่อไปมันนิ่งพราะอะแล้วก็เดินของเราต่อไปทํอยางั้นต่อไป พอเราหยุดนี่นะมันถึงจะหายไปอะ ไ, ไนะแต่เราก็เดินต่อเราไปทําเปไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปดูที่มันจะเป็นการเดินของเราต่อไปหรือจะยืนเฉยๆก็ได้ก็พ อ, พอสำคัญก็คือใจเราอย่าไปคิดปรุงแต่งถ้าไม่คิดปรุงแต่งมันก็จะอยู่เฉยๆต่อไปได้ถ้าพาไปคิดปรุงแต่งไปเกิดความอยากมันก็จะหายไปเราสั่งแต่วรู้ เอาของมาถวายเอาเอาไว้ตั้งไว้ตรงนั้นเลยนะก็ออามาแล้วมาเอาหนัง ส, สือทั้งหาได้มีหนังสือมีซีดีได้ธรรมะบนเขาแผ่นที่สองนี้ไปถึงไหนแล้วครึ่งได้ยังหรือยังไม่รู้ได้ครึ่งเลย ไม่รีบร้อนอ่ะก็แผนที่หนึ่งยังไปไม่ทั่วถึงแล้วสองเดือนสองเดือนแผนเลยนะครับ่มีอะไรรึเปล่ามี่ผู้นี้นอาจารยครับแผนที่หนึ่งตอนที่สองะคะรู้สึกสองหรือว่าสามจำไม่ได้แน่นแต่ว่าถ้านอาจาพูดถึงว่าความสงบเอ่อเวลาที่เกิดขึ้น แล้วก็พู้ถือก็ผู้ถกงกับภาษาโมลังหลานไม่ได้หายไปไหนแต่ท่านยังอยู่แต่ท่านอยู่กับความสงบตรง น, นั้นรู้ไหมเข้าใจคือใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจของเราอยู่ที่โลกทิศถ้าเราเปรียบเทียบใจของเรากับร่างกายก็เหมือนกับคู่ควบคุมยาณอากาศกับยาณอากาศยาณอากาศตอนนี้มันอยู่ดาวอังคารใช่ไหมแต่ผู้ควบคุมอยู่ตรงโลกนี้อื เราเป็นผู้ควบคุมสั่งยานให้ทำอะไรต่างๆถ้าเกิดยานนั้นพังไปหมดสภาพไปผู้ควบคุมก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันนั่งกายเราเป็นเหมือนยานอาวากาศใจของเราเป็นผู้ควบคุมยานใจของเราอยู่ในโลกทิศทีนี้ใจของพวกเรากับใจของพระเจ้าต่างกันตรงที่ว่าใจของเรายังไม่ ยังไม่สงบยังไม่มีความยังยังไม่บริสุทธิ์ยังมีความโลภความอยากอยู่แต่ใจของพระเ้านี้ไม่มีความโลภความอยากแล้วมีแต่ความสงบแต่ก็อยู่ที่เดียวกันแต่อยู่คนละทัศอยู่คนละอยู่คนละแบบอยู่แบบสุขก็อยู่แบบทุกข์ก็นด้เม้าเราอยู่แบบทุกข์ท่านอยู่แบบสุขเท่านั้นเองก็อยู่อยู่ในโลกที์เหมือนกัน ใก็ท่านทําสมาธิทําปัญญาจนกระทั่งมันสงบอย่างถาวรนะไปก็เหมือนกับว่าสติสมาธิปัญญานี้เป็นเหมือนบันไดเป็นเป็นเป็นเครื่องมือที่ทําให้ใจสงบพอใจสงบเต็มที่แล้วมันก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้สติสมาธิปัญญาอีกต่อไปพอถึงเท่นี้ผ่านแล้วมันก็จะสงบอย่างถาวรไม่มีวันเสื่อม แต่ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานนี้มันยังมันยังเสื่อมได้อยู่เสื่อมมากเสื่อมน้อยอยู่ที่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิรดาคามีขั้นอนาคามีนี้มันมีความเสื่อมต่างกันพระอนาคาเมพระโสดาบันนี้ยังเสื่อมมากกว่าพระอนาคามีพระอนาคาเมไอ้พระสกิรดาคามีพระสกิรดาคาเมก็จะมีความเสื่อมมากกว่าพระอนาคาเมคือความทุกข์ที่ท่านได้นี่มันจะ เสริมเพราะมันจะมีความอยากตัวอื่นเข้ามารบกวนแต่ถ้าอาหารนี่ไม่มีความอยากมารบกวนความเสื่อมของท่านความสุขความสงบของท่านก็ยังไม่มีวันเสื่อมแต่ใจของท่านเกับใจของเราก็ยังอยู่ในโลกที่ยเหมือนกันท่านกาวใจไม่มีวันตายไม่มีวันตาอยู่ในโลกทีพย ใจของโมราใจของเปรตใจของเดรอาชานใจของไส้เดือนของของหนูของแมวก็อยู่ในโลกทิพย์เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไปทำบาป ก, ก็เลยต้องไปรับผลบาปถ้าทําบุญก็ได้ร่างอยู่ในโลกทิพย์ของเทวดาเป็นเทวดาไปถ้านั่งสมาธิก็ได้เป็นพรหมไปถ้าได้เห็นอริยาสัจสี่ก็เป็นพระโสดาบันสกิรดาคาเมนาคามีอลหันไปก็ยังอยู่ในโลกทิพย์เหมือนเดิม ให้ที่น่าเสียความหมายตรง น, นี้หมายถึงว่าความทุกข์ต่างๆนี่เองไงความทุกข์ต่างๆคือการดีใจเสียใจเล่เช่อให้ทําใจให้เป็นอุเบกขาดีใจก็เป็นทุกข์อย่างเสียใจก็ทุกข์อย่างดีใจก็อยากจะให้สิ่งที่เรารักเราชอบอยู่กับเราไปนานๆก็จะเกิดความวิตกเกิดความห่วงใยขึ้นมาและเวลาเขาจากไปเปลี่ยนไปเราก็จะทุกข์ใจอีกที เสียใจก็เวลาเสียใจก็รู้อยู่แล้วมันทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้าทําใจเฉยๆเป็นกลางมันก็ไม่เดือดร้อนไม่ดีใจไม่เสียใจคนด่าก็ไม่ดีใจคนด่าก็ไม่เสียใจคนชมก็ไม่ดีใจเฉยๆเป็นแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองนี่คือเป้าหมายของการภาวนาของการปฏิบัติให้ใจเข้าสู่อุเบกขาให้อยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างความดีใจกับความเสียใจ ก, กอจะไปถึงอยากุเบกขานี่มันเข้าได้สองทางเข้าทางสมาธิก่อนแล้วพอได้อุเบกขานี้แล้วก็ใช้ปัญญารักษามันด้วยการสกัดความอยากถ้าไม่มีสมาธิเลยมีแต่ความอยากมันก็ไม่มีอุเบกขาแล้วอย่างพวกที่ไม่ภาวานานี่ไม่มีอุเบกขาเลยพอใครชมหน่อยก็ดีใจตัวลอยขึ้น พอใครด่าหน่อยโอ้โหก็น่าขวิดน้าคว่ามขึ้นมาทันทีแต่คนที่มีสมาธินี่เวลาจิตมีอุเบกขาสงบนี่ใครชมก็เฉยใ ค, ใครว่าก็เฉยแต่พอสมาธิเสื่อมปับ๊บใครว่าใครชมก็จะดีใจเสียใจถ้าไม่อยากให้มันเสื่อมก็ต้องรักษาด้วยปัญญ า, วาเวลาออกจากสมาธิแล้วต้องรักษาปัญญาสารให้อย่าไปหลงกับความดีใจเสียใจใครชมก็อย่าไปหลง ใครด่าก็อย่าไปหลงให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นเพียงเสียงเหมือนเสียงนกเสียงกามรนดาเราเราไม่รู้ว่าบรรดา่าเราเราก็ไม่เราก็ไม่ดีใจเสียใจยังไหเราไปหลงมันเองเราไปไปไปปรุงแต่งขึ้นมาเองว่าเขาดา่าเราเขาชมเราความจริงมันก็เป็นแค่เสียงเท่านั้นเองแต่ว่าไงเข้ามา อ่าว่ามาคือจะสงสัยว่าสมมติว่าเราไปดูที่เขาคลิปขาคลิปวิดีโอที่เขาขาตกอะไรเงยค่ะคือสศงเนี้ยเวลาที่มันโดนกรีดเนื้ออะไรเงี้ยค่ะมันมีเวทนาทางกายตรงนั้นใช่ไหมคะไม่มีครับศพไม่มีผู้ศีลดูไม่มีรับรู้มันก็ไม่มีเวทนาเวทนามันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่สพศพเหมือนต้นไม้ต้นไม้เราฝันมันก็ไม่มีความรู้สึก ไม่มีเวทนานอกจากเวลามีจิตจไปรับรู้มันถึงจะมีเวทนาเวทนามันอยู่ในจิตไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงส่งความรู้สึกไปให้จิตรับรู้ทีถึงแม้มีก็เหมือนกับไม่มีพูดอย่างงั้นดีกว่เาเพราะมันเชื่อมกันไม่ได้แล้วอ่าเชื่อมกันไหมคนตายวาเวลาขิมเอาเอา เ, เข็มไปที่มันไม่สะดุ้งหรอกใช่ไหมแต่ว่าโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือร่างกายมีการกระทบกระเทือน มันไม่สามารถส่งความรู้สึกตรงนี้ไปที่ใข้กับจิตได้มันไม่มีผู้ไปรับรู้ดีกว่าจิตจิตไม่ได้ไปยึดติดไม่มีความไม่เหมือนกับสายโทรศัพท์มันขาดด่ากันยังไงก็ไม่ได้ยินนะเวลาคนด่าแล้วมากๆก็ปิดสายวางสา ย, ยแล้วปล่อยเวลาเข้าสมาธิก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิแล้วก็ร่างกายเจ็บปวดยังไงก็ไม่รับรู้อ่ะ ก็แบบเดียวกันตอนนั้นจิตถอนวิญญาณตัวรับรู้ความเจ็บนี้เข้ามาข้างในเข้ามาในในในในตัวจิตไม่ออกไม่ส่งออกไปมันก็ไม่เหมือนกับ ไ, ไม่มีร่างกายตรงนี้แต่การดูการผ่าสนี้ดูให้เห็นความขยะยาขยงความน่าเกลียดของร่างกายก็จะได้ดับการอารมณ์และอีกอย่างดูเพื่อให้เรารับรับความจริงว่าร่างกายนี้มันไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตน มีแต่อวัยวะต่างๆลองไล่ถามมันดูแต่อวัยวะดูเดี่ยวนี่ตัวเราหรืเปล่าผมนี่ตัวเราหรืเปล่าคนนี่ของเราหรืเปล่าอ ป, ปอดหัวใจเป็นเรารืเปล่าของเราหรืเปล่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนหัวใจนี่คนเอาหัวใจคนอื่นมานี่เป็นของคนอื่นเข้าไปแล้วหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นเพียงแต่อายไลเป็นชิ้นส่วนเท่านั้นเอร่างกายตัวเรามันอยู่ที่ตัวจิตเราสร้างตัวจิตขึ้นมาจากความคิดปรุงแต่งของจิตนี่เอง พอค oh, so ิดว่านี่เป็นเราก็เราก็เชื่อมันคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราก็เชื่อมันขึ้นมาเขาเรียกว่าหลงเนี่ยเพราะไม่ใช้ปัญญาในพิจารณาว่าร่างกายนี้มันมาจากที่ไหนแล้วเรามันมาจากที่ไหนมันมาเป็นของเราตั้งแต่เมื่อไหร่มันมาเป็นตอนที่มันมาสมกันในท้องแม่แล้วเราก็ไปยึดติดว่าเป็นของเราก็เหมือนกับเราไปจองรถยนต์ที่เขากาลังสร้างอยู่ในโรงงาน รถคันนี้เป็นของเราเนี่ยพอรถคันนี้เสร็จเราก็จ่ายเงินแล้วเราก็ขับรถออกมาแล้วก็อยู่กับมันมาก็เลยคิดว่าเป็นของเราพอเวลามันพังไปต้องทิ้งมันไปก็เสียอกเสียใจตอนนั้นมันกับเราก็แยกกปนไปคนลัดทางใจกับร่างกายก็เป็นไหนถ้าใจรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราก็จะไม่ยึดไม่ติดก็เหมือนกับร่างกายของก็ดี ร่างกายคนอื่นแก่เจ็บตายเราเดือดร้อนไหมคนที่เราไม่รู้จักทำไมร่างกายที่เราที่เรายึดติดอยู่นี่เราเดือดร้อนก็เพราะเราคิดว่าเป็นตัวเราของเรานะนเเราไม่ได้ตายแต่ร่างกายเราไม่รู้ความจริงนี้เราคิดว่าเวลาร่างกายตายตอนนี้เราตายไปไปกับร่างกายเวลาร่างกายแก่เราก็คิดว่าเราแก่ไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บเราก็คิดว่าเราเจ็บไปกับร่างกาย แต่คาจริงเราเป็นเพียงแต่เหมือนกับเป็นหมอเท่านั้นเองร่างกายเป็นเหมือนคนข้างหมอก็ดูแลรักษาร่างกายไปเลี้ยงดูร่างกายไ ป, ยยไปแต่ไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็เลยอยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดทนี้ถ้าเราพิจารณาด้วยความจริงก็รู้ว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรจะอยู่ไปตลอดทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเราไปห้ามไม่ได้ พอเราเห็นความจริงกันนี้บ่อยๆเข้ามันก็จะฝืนไม่ได้มันก็จะยอมรับความจริงมันก็จะหยุดต่อต้านมันก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอหยุดได้แล้วเวลาแก่เจ็บตายก็ไม่เดือดร้อนจะทําทได้ก็ใจต้องสงบก่อนต้องมีอุเบกขาก่อนถ้าไม่มีอุเบกขานี่กิเลสมันจะไม่ยอมให้ดอกคิดคนบางคนนี่เพียงแต่พูดคําว่าตายนี่ก็ไม่เอาละ หาว่าเป็นอัปมงคลและว ม, มันแสดงว่ากิเลสแรงมากความหลงแรงมากใค่ะบางทีหนูนั่งสมาธิแล้วจะเกิดผีทานคนเดียวจนแม่นม่อยู่เนี่ย ค, ค่ะหนูก็จะรู้สึกหัวขีดค่ะหนูก็นั่งแม่สะพานหนูก็จจินตนาการว่ามีมาจ้องหเวลาดูทีวีกับไม่กลัว <laughs> นะก็ อ, อยู่คนเดียวเหมือนกัน เราจิตเราไปปรุงแต่งมันเองก็อย่า <ố Share> <ล><ป>ไปปรุงแต่งมันด้วยเราเราเป็นเราหลอกตัวเราเองอ น, นังสือซีดีแได้มันมีที่ไหนถ้ามันมีมันก็มาหลอกเราต้องนานแล้วทำไมันจะมามาหลอกเราตอนที่เรานั่งสมาธิทาไมเวลาดูทีวีมันไม่มาหลอกเราถ้ามันจะทาําเรามันก็ฆ่าเราตั้งแต่ตอนที่เรานั่งดูทีวีแล้วแหละอืใช้ปรรัญญาใช้เหตุผลอือ แล้วก็ยอมปงว่าถ้าเราถึงชาวจะต้องตายอยู่ที่ไหนก็ต้องตายเวลาไหนมันก็ต้องตายถ้าเหมือนถึงเวลานี้จะต้องตายก็ยอมตายก็จบเวลาคุณนอนดับน้คุณไม่เห็นกลัวเกลออะไรใช่ไหมว่าใจไม่ได้ปรุงแต่งคามกลวมันเกิดจากความปรุงแต่งนั่นเองนั้นก็มีสองวิธีถ้าปงไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้ว่ายอมตายไม่ได้ก็ยอย่าไปคิดถึง เรื่องผีให้ท่องพุทโธพุทโธแทนแวเวลาเกิดความกลัวขึ้นมากใกล้ท่องพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องความกลัวแล้วเดี๋ยวความกลัวพอจิตสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปเราไม่มีสติที่จะเดินใจมาสวดได้เลยไม่ดีเพราะเราไม่ฝึกไว้ก่อนหนุ่งหน้าแล้วเราต้องฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าเราทํำอะไรก็พุทโธพุทโธไป แล้าต่อไปเวลาเกิดความกลัวเราจะท่องพุโทโธได้อย่างสบายเมอเราท่องพุโทโธได้นี่มันจะหายกลัวเนื่อสติมันสำคัญมากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นกุญแจดอกแรกที่จะนำไปสู่ธรรมทั้งหลายถ้าไม่มีสตินี่จะเข้าถึงสมาธิไม่ได้เข้าถึงปัญญาไม่ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้เห็นอย่อย่าประมาทในความ ความสำคัญของสติพยายามเจริญให้มากแล้วทุกอย่างจะตามมาเองมีสติแล้วนั่งสมาธิก็จะได้ผลง่ายมีสมาธิตรงพิจารณาความจริงก็ยอมรับได้ถ้ารับได้ก็หลุดพ้นได้งั้นต่อไปนี้ต้องตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้จะเจริญสติตั้งแต่เตินจนหลับจะได้มากหรือได้น้อยก็จะพยายาม ถ้าไม่พุโทโธก็ต้องให้มันอยู่กับร่างกายไม่มันไปคิดถึ ง, เ ร, งเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าจำเป็นก็คิดเดียวเดียววันนี้ต้องทำอะไรคิดแค่สองวินาทีก็เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กลับมาอยู่กับสติอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับร่างกายต่อไปพยายามฝึกไปมันไม่ยากถ้าทำแล้วต่อไปมันก็จะง่ายมันเหมือนกับการใช้มือซ้าย ถ้าเราถนัดมือขวาแล้วเราต้องไปใช้มือซ้ายใหม่ๆก็จะรู้สึกว่ามันยากแต่ถ้ามือขวาเราเสียเราต้องใช้มือซ้ายเราจะทํางไงเราก็ต้องบังคับใช้มันไปแล้วมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็ชํนานาญอันนี้เราถนัดกับการเผลสติชอบปล่อยให้ใจลอยคิดเรื่องนั้นเรื่อนี้คิดได้ทั้งวันทำไมคิดได้พอให้คิดคําว่าพุทโธหรือให้ส่วนมนต์แคนี้ทําไม่ได้เห็นะหมว่าเราไม่ถนัด เมื่อเราไม่ถนัดเราก็ต้องฝืนต้องบังคับมันฝืนบังคับไปแล้วต่อไปมันก็จะถนัดเราไปมันจะพุโทโธอย่างง่ายดายเวลากลัวอะไรโกรธอะไรเกลียดอะไรไม่อยากจะให้ใจวุ่นวายก็พุโทโธพุโทโธไปรับเดียวไม่ถึงนาทีมันก็หายแล้ะพอมันเริ่มเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจปั๊บมันก็หายไปละแต่เราทำไม่ได้หน้าทีเดียวยังทำไม่ได้เลยพุโทโธเนะี่ เราลองไปทำดูนะเราจะเห็นคุณค่าครูบาอาจารย์ท่านไม่หลอกเราหรอก <c oughs> อาจารย์ครับมีโยมก็ถามว่าที่บ้านเาชอบมีต้นต้นโพแล้วก็จะขอมาปลูกที่นี่ได้หรือเปล่ <c oughs> ต้นโพเป็นวงคลมอยู่ที่บ้านแล้วเป็นาปลูกที่บ้านทำไม <c oughs> <c oughs> ต้นโพ ค, คนอุนส่าห์บินไปถึงอินเดียเพื่อจะได้ไปอยู่นั่งใต้ต้นโพ นี่เราเปต้นโพถึงบ้านเราเราไม่ต้องบินไปแล้วอย่าเอามาไว้ที่วัดทําไมวัดมีต้นไม้เต็มไปหมดมีที่ปลูกแค่ไหนถ้าการถ้าต้นโพมาอยู่หน้าบ้านแบบว่าเออยู่หลายปีแล้วนอกอคาดมาแล้วเป็นต้นใหญ่มากๆเลยครับใหญ่ใหญ่แบบว่าเท่ากับตึกห้าชั้นนะครับแล้วนี้เรา<ะ>ตอนได้เลยคอยตัดกินไไมันไว้เรื่อยๆ<ะ>ตัดกินกันบ้ า, บาหลังนี้จะขายเนีครับอ่า เขาตัดทิ้งไว้ด้ต้นโพก็ตัดได้ต้นออตัดได้เนี่ยนี่เป็นปัญหาอะไรต้นโพก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นเองเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นเครื่องเตือนใจแล้วว่าเนี่ยการตัดสลูพระเจ้าให้เราเล้กถึงการตัดสรูเท่านั้นเองแต่ต้นโพเองมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือความวิเศษอะไรทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธรูปเนี่ยถ้ามันหักมันแหว่งนี่เขายังทิ้งกันเลยเขาไม่เก็บไว้ในบ้านใช่ไหม มันเป็นสัญลญักษณ์ท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นของจริงแต่เราไปยึดติดกับสัญลักษณ์จนกระทั่งไม่กล้าทําอะไรบาทีไปกองไว้ตามข้างถนนก็มีพระหักของปักหักปลักขักพังเก็บไว้ที่บ้านแล้วกลัวเปน็นอมมงคลก็เลยไปทิ้งไว้กองข้างถนนกันแล้ว ม, มาทิ้งไว้ตามวัดเนี่ยวัดที่ไหนมีต้นโพมกักจะไปโยนกองไว้โคนต่อน <c oughs> คามจริงหน้ามาทุกได้มันละเอียดแล้วก็เอทําให้มันสะอาดเก็บให้มันเรียบร้อยมันก็มันมาจากดินเนี่ยคนปั้นขึ้นมาแล้วคนปั้นขึ้นมาได้ทมันคนทุบทิ้งไม่ได้ไม่เสียหายตรงไหนเราไม่ได้ทุบทิ้งด้วยความอประมาทหรือว่าเราเอไม่เคารพหรืออะไรเรามันมีเหตุมีผลเมื่อมันไม่สวยไม่งามแล้วไม่เหมาะสมกับการกราบไหว้บูชาแล้วก็ทุบทิ้งมันไปให้มันหายไปไม่ดีกว่า แล้วก็ไปหาองค์ใหม่มาถ้ายังอยากจะมีก็หาองค์ใหม่มาไหว้ต่อก็ได้การไหว้นี่เราไม่ได้ไหว้พระพุทธรูปเราไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เรารึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆกับคุณเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนสติสอนใจให้เรารู้วิถีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเท่า น, นั้นเองพระพุทธรูปไม่สามารถเสร็จเป่าให้เราลําให้รวให้เราเ แควคาดปลอดภัยจากพูดผีปีศาจ ต, ต่างๆได้พูดผีปีศาจมันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่ ท, ที่ไหนใจเราผลิตมันขึ้นมาเองเพออยู่คนเดียวมันมาเลยเพออยู่หลายคนมันหายไปไหนอม ถึงต้องไปอยูคนเดียวเพื่อจะได้ล่อมันออกมาแล้วจะได้ใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฆ่ามาให้มันตายไปเลยจะได้หมดปัญหาไปอพอใจสงบแล้วผู้ผีปีศาจหายไปหมดแล้วจะได้ธรรมะมาแทนได้ความสงบมาแทนได้พุทธังสารนังได้ธรรมังสารนังกัจฉามิมาแทน พระที่ต้องไปอยู่ในป่าไปอยู่ในที่กลัวน่ากลัวไปอยู่ป่าช้านี้ก็เพื่อจะล่อพวกผูพูดผีปีศาจให้มันออกมาเราจะได้ใช้พุทโธฆ่ามันพอจิตสงบแล้วหายหมดโดยพวกผีปีศาจตอไปนั้วหลังจากนั้นจะไม่มีวันกลัวพวกผีปีศาจเด็กต่อไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปนอนในป่าคนเดียวไม่เดือดร้อนผีสางเทวดาสิงสาราสัตต่างๆไม่ ไม่กลัวไม่มีอะไรใจเราไปคิดมันแต่งสิงสาราสตร์มันก็ไม่อยากจะมากัดมากินเราว่ากินเราไม่ได้เราไม่ใช่เป็นอาหารของมันบางคนเขาบอกว่าถ้าเรามีเวรกรรมแบบเมื่อก่อนอ๋อ <c oughs> ก็มันถ้าเป็นเวรกรรมนัม่นเรื่องเวรกรรมไม่ใช่เรื่องพูดผีปีศาจเป็นเรื่องวิบาก <c oughs> แล้วอย่าไปทําบาปเลย ทำบาปแล้วใจมันจะวิตกกังวลอางทีคนที่เราทําบาปด้วยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจแล้วเขาให้อภัยเราไปแล้วก็นด้แต่เราก็ยังกลัวอยู่นั่นไม่มีแบบมันอยู่ในใจเราทําอะไรขึ้นมาแนละ้วมันก็จะฝังอยู่ในใจของเราเขาอย่าไปทำนะหรืถ้ามันเกิดก็ต้องยอมรับกรรมไปก็ย่าก็อย่าบอกว่าอย่งมาก อะไรจะเกิดก็เกิดมันจะตายก็ตายมันจะเป็นอะไรก็ต้องยอมรับมันไปนั่นเองพอมันหมดแล้วมันก็ผ่านไปมันก็หายไปสิ่งที่มันทำลายได้ก็แค่ร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีใครมาทำลายมันก็ทำลายตัวมันเองอยู่ดีเมื่อถึงเวลามันก็ต้องหมดสภาพไปอยู่ดีไอ้มันจะหมดสภาพเพราะความเสื่อมความธรรมดาของมันแลือหมดสภาพเพราะเป็น วิบากกรรมมันก็ต้องมันก็เหมือนกันอย่างพ้าโมกคัลลานะท่านมีอิทธิลิตปาฏิหาริย์ท่านก็ไม่ใช่อิทธิฤทธิมาปกป้องรักษา ร, ร่างกายเพราะท่านว่าร่างกายนี้ยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีแล้วก็เวกณกรรนี้ก็หนีไม่ได้หนีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามมาใหม่จนกว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะเลิกลาไปที่เราเป็นลูกนี้ใครเนี่ยหนีไปไดไหายเขาก็ตามมาทวงนี้อยู่นน่นะ พอเขาได้เงินคืนแล้วเขาก็ไม่มาตามทวงอย่างนี้แล้วเราเป็นหนี้เขาเราก็ต้องใช้หนี้เขาอย่างนีหนีไม่พ้นหรอก <c oughs> ถ้าไม่อยากจะเป็นหนี้ <c oughs> ก็อย่าไปทักอย่าไปก่อนหนี้อย่าไปทำบาปรักษาศีลธ้าไว้ให้ดีๆ <c oughs> ตอนนั้นเอง <c oughs> เวลาทำบาปนี่ไม่กลัวกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> พอทำแล้วค่อยมากลัวทีหลัง มันสายไปซะแล้วทำแล้วก็ต้องเตรมตัวนักกับวิบากแล้วท่านอาจารย์พูดถึงอินเดียสเตอร์ยังเปน็นท่านสมาธิใต้ต้นโพธิ์ท่านพุทธคยาระดับบว่าอันนี้สองเนี่ยมันจะผิดจากที่อื่นก็มีใครตัดฉันรู้รปะถามว่าดึงนคนนี้ไปไหนนะ <c oughs> นกปูมันท่านตัดสู้ที่ไหนนกปูมันท่านมาดูที่ไหนนกตาท่านมาดูที่ไหนท่านไปที่อินเดียเปล่ามันบ้ากันไม่คิดไม่ดูเหตุดูผลกัน น, <costing S 2> นกปูมันเคยไปอินเดียเป่ะนกตาเคยไปอินเดียเปล่าเราเคยไปอินเดียเปล่ามันมันตัดสู้ที่ใจเป็นแต่ต้องอาศัยสถานที่ที่สงบเป็นเป็นเครื่องช่วย เพราะถ้าที่ไม่สงบมันจะไม่มันมันจะไม่สงบข้างในกายต้องวิเวกก่อนจิตถึองวิเวกตอนนี้ที่พุทธคยาที่ต้นโพนตอนนั้นมันไม่วิเวกแล้วมันไม่มันเป็นมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วอ่าอ่านั่งอีกร้อยชายก็ไม่มีวันบรรลุหรอกอาจารย์มันต้องไปอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยเวลาพระจตอนนั้นที่ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นนั้นมันเป็นป่าไม่มีใคร ก็ไม่รู้เป็นต้นเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเปนเรื่องของคนที่ไม่ใช้ปัญญาพอเชื่อก็เชื่อสุดๆไปเลยก็ยังดีะเชื่ออย่างนี้ก็ยังดียังดีกว่าไปเชื่อพูดผีปีศาจเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ยังไม่เชื่อด้วยเหตุด้วยผลก็ตามก็ยังดี ถึงแม้ว่ า, ายังจะทำไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นอย่างน้อยก็ยังมี ม, มีมีส่วนดีมีส่วนถูกอยู่พอ อ, อย่างน้อยก็ได้นั่งสมาธิอยู่บ้านนั่งไม่ได้เล ต, ต้องมีบนะคบ6วัน7วันนี่ก็ว่ามาสมม ต, ติว่าเราใช้ชีวิตประจ เราก็แก้ไขอะไรกับมันไม่ได้แล้วมันก็หักไปแล้วก็หรือบางจังหวะเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปแล้วแล้วก็บอกกับตัวเองว่ามันก็เป็นมันปรุงแต่งบนบนพื้นฐานที่เป็นอดีตมันที่แป็นกาสารอะไรแล้วมันก็ผ่านไปเราเราควรทำแบบนี้ไะหรือว่ามันก็เป็นปัญญาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญญาที่มันไม่ไม่เกิดประโยชน์กับใจเราเพราะตอนนั้นเหตุการณ์มันไม่เกิดจริง ต้องเอาตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงตอนที่ใครก็ด่าเราแล้ ว, ลวเราต้องพิจารณาว่าเออมันก็ผ่านไปแล้วเขาพูดปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วแล้วเราไม่ไปทุกข์ไม่ไปวุ่นวายกับเขาไอ้ยังงั้นเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาจริงแต่ถ้าปัญญาแบบนี้เรียกปัญญาซ้อมไปก่อนอซ้อมคิดไปก่อนว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วบรนดับไปแล้วแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาจะได้คิดแบบนี้ได้คิดว่าเออเขาด่าแล้วก็าันทึกก็จบไปแล้วผ่านไปแล้วเขาตีหัวเรามันก็จบแล้วผ่านไปแล้ว ไม่ต้องไปโกรธเข้าไปเกลียดเขาไม่ต้องไปอาฆาตปียาบาสอันนี้แล้วเราควรจะทําไปบางทีที่เราไปพัก ท, ที่อยงนี้เข้ามาเนี่ยเราควรจะคิดเป็นแบบนี้เลคะคือว่าคือถ้าเราอยู่ในถ้าเราอยู่ในขั้นที่ทําใจให้สงบให้มีสมาธินี่เราไม่ควรจะไปคิดเพราะมันจะไม่เป็นประโยชน์มันมันข้ามขั้นตอนไปแล้วมันจะไม่มีผลมากไม่มีประโยชน์มากถึงเวลาจริงๆก็อาจจะทําไม่ได้ ถึงเวลาใครทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็อาจจะปล่อยไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะปล่อยถ้ามีสมาธิแล้วคิดแบบปัญญาอย่างนี้เราจะปล่อยได้งั้นก็ลองดูอาจจะต้องรอให้เจอเหตุการณ์จริงก่อนต้องให้สามีไปมีชูก่อนแนละ้วดูใว่ไออดูใ ช, ว, ใชว่าเขาทำไปแล้วเขาเกิดขึ้นแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราไปทุกข์กับเขาทาไมถ้ายังทุกข์อยู่แสดงว่าเราไม่มีสมาธิ เราหยุดความหยุดความโกรธของเราไม่ได้ไม่มีกําลังงั้นถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราอย่าเพึ่งไปทางปัญญามันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรควรจะพยายามเจริญสติควบคุมความคิดให้มันจิตรวมเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาที่เราต้องการก่อนให้หยุดกิเลสได้ก่อนให้หยุดกิเลส ด, ด้วยสมาธิให้ได้ก่อนอ่างนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเราจะได้ใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยได้ แต่ว่าละห้ามเขาไม่ได้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วเราไปโกรธไปแฉ่งก็เราก็เสียใจเราก็ทุกข์ไปเปล่าๆเลยไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใดถ้าอย่างนั้นถ้ามีสมาธิแล้วมันก็จะหายมันจะไม่ไปโกรธกันเมื่อเช้าก็มีลุกศิษย์คนหนึ่งมาเล่าว่าก็โกรธเหมือนกันโกรธอยู่สองชั่วโมงแต่ในที่สุดปัญญากับสมาธิก็หยุดมันได้ มีคนกล่าวล้ายป้ายสีว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตอนต้นก็จะคิดมาปรับความเข้าใจมามาพูดกับคนที่เขาไปไป้ายล้ายป้ายสีแต่ก็หลังจากพิจารณาไปแล้วว่าเขาพูดไปแล้วก็ป้ายไปแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ปากของเขาการพิจารณาไปสองชั่วโมงอะถึงจะถึงจะโป่งได้ถึงจะหยุดได้ก็เลยมาเล่าให้ฟังดีใจใหญ่จชนะตัวเองได้